ตอนอยู่ญี่ปุ่นนี้นับถือาศาสนาเลยาศาสนาพุทธนี่ยนายอะไร ม, มีญี่ปุ่นมีอยู่สองร้อยกว่านิกายเ <c oughs> ็นเรื่องลิขินโต ชินโตไม่ใช่ครับอืมอืมใช่ใช่ออืมอกาวแล้วไม่เป็นไรทาอะไรนะชื่ออะไรนะทากรุ๊กยอมทากุโกถามถามว่า ในชีวิตหลังตายเนี่ยการตายเนี่ยมันเกิดจริงไหมมันมีมันมีชีวิตหลังตายจริงไหมก็คืออย่างนี้ว่าเดานดากระแสชีวิตทั้งหลายเหล่านี้ก่อนที่จะไปรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยต้องดูตัวเหตุทั้งหมดเหล่านี้มันเรื่องเหตุและผลเังเหตุและผลเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดานี้หมายความว่าความโลภเนี่ย ในกระแสในกระแสความคิดของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการความอยากได้ความทยานอยากความชอบความชอบความต้องการความทยานอยากนอยากเป็นอยากได้อยากจะพ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอความอยากความต้องการอย่างเนี้ยภาษาพหุเรียกว่าตัณหาคือความทยานอยาก ความรั่นลนความทยานอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากพ้นกรณีอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าตัณหาคือความทยานอยากแล้วมีอีกตัวหนึ่งก็คือความโกรธความเครียดความโกรธความไม่พอใจงุดหงิดไม่สบายใจทุกข์ใจเครียดกัดกุ้มอันนี้เ็าเรียกโทสะ แลอย่างหนึ่งก็คือว่าความหลงความหลงมีสองกรณีลังเลสงสัยไม่แน่นอนไม่แน่ใจคิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะดาเนินชีวิตยังไงจับจดคิดไม่ออกแล้วก็ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยนะคิดไปเรื่อยไปด้วยไปเรื่อยจับสาระไม่ได้นละักษณะเงี้ยนี่คือ ไอ้กระแสในความคิดของมนุษย์เนี่ยเขาเรียกวความโรธความโกรธและความหลงถ้าแปลอีกอย่างเจาะไปถึงฐานรากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัณหาคือความอยากได้มานะาพา์นี้แปลว่าอยากใหญ่ทิถีแปลว่าใจแคบแ ก, ก็คือยึดในทัศนาคติของตนเองเนี่ยถามว่า ยังมีความคิดประเภทนี้อยู่ไหมถ้าความคิดประเภทนี้ยังมีอยู่ตราบใดในะอตัวนี้แหละที่มันนำเกิดคนที่จะไม่เกิดก็คือคนที่ขจัดความคิดเหล่านี้หมดใช้ปัญญาไปขจัดความคิดเหล่านี้เมื่อเป็นสัตว์สะอาดครีนสะอาดแล้ว ในกระแสของความคิดเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีความต้องการอยากได้ไม่มีความโกรธความเครียดไม่มีความมัวเมาลุ่มหลงไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีความฟุ้งซ่านลำคาญใจทุกขจัดได้อย่างเด็ดขาดด้วยยานปัญญาที่ฝึกมาอย่างดีคนประเภทนี้ตายแล้วไม่เกิดเขาเรียกว่าพระอรหันต์แต่ถ้าตราบใดยังมีกิเลสประเภทนี้สิงอยู่ในกระแสความคิดอยู่ถอดรหัส เหมือนถอดชิปไอ้ระบบความคิดเนี่ยดูรีดข้อมูลลายๆเหล่านี้ออกมาไม่ได้ตราบใดถ้าเอาข้อมูลไม่ดีออกไม่ได้ตราบใดไอ้ตัวนี้แหละมันนำเกิดมันมเห็นไหมมันมันไม่อยู่อะถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดต้องตอบเป็นสองกรณีเกิดก็มีไม่เกิดก็มีถ้าไม่เกิดก็แปลว่าต้องขจัด ดีลิสข้อมูลหรือกิเลสเนี่ยให้หมดความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินความเครียดความโกรธความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านลำคาญใจความลังเลสงสัยเนี่ยถ้าขจัดจิตที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีภาษาพระเรียกกิเลส พจัดได้ด้วยอะไรด้วยยานปัญญาคนที่จะมียานปัญญาได้จะต้องเป็นคนมีจิตที่มั่นคงใช้จิตที่มั่นคงเป็นฐานให้ปัญญายานเกิดแล้วใช้ปัญญาละชำระกิเลสเหล่านี้จนกลายเป็นสัตว์ที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วปัญญาเรามาจากการปัญญาเกิดได้จากการฟังากกาฟังที่ถูกต้อง เมื่อฟังแล้วก็ เ, เอาไปประมวลผลในการคิดวิจัยแยกแยะจากประมวลผลวิจัยแยกแยะเแบบ็ดเสร็จก็ลงแล้วก็วิจัยแยกแยะจนสู่ลงมือเห็นการฝึกให้มันเกิดขึ้นจริงๆมันจะมีสามระดับใช่ไหมหนึ่งระดับเห็นการฟังทีนี้ถ้าฟังมันเหมือนว่ามันเหมือนกรณีที่เราต้องการอยากจะเข้าไปผลิตรถยนต์ขึ้นมาอย่างนี้ย มันฟังข้อมูลพอฟังข้อมูลก็ไปประมวลคิดพอคิดขึ้นมาเบ็ยเสร็จก็ลงมือปฏิบัติลงมือประดิษฐ์ขึ้นมาระดับปัญญาในพระศาสนาก็สามระดับหนึ่งฟัง<ะ>บางคนเนี่ยฟังแต่ไม่เข้าใจก็ต้องใช้เป็นภาษาของเขาที่จากภาษาไทยแปลเป็นภาษาของเขา หรือจากภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาเขาภาษาบาลีแปลเป็นภาษาพุทธิจารให้แปลเป็นภาษ า, จ, า, น า, ษาจนเขาต้องอ่านแปลว่าเขาสามารถใช้ภาษากได้ไอ๋อถ้าอย่างนี้ก็อ่านฉบับภาษาอังกฤษฉันมีมีมีเหลืออยู่ไหมฉบับภาษาังกฤษของหลวงพ่อปะยุทธ์เนี่ย้เป็นคิาจาเทพเอักีไม่มีไม่มีฉันเอามาไม่ไม่สามารถขนาดนึง เป็นคนชอบอ่านนอเปาเขาเป็นคนชอบอ่านนะผมมีใจไมใมฮะใจมันมีใจไหค่ะใช่น่าจะจิตเลย่ะใช่ทุกนั่นแหละจิตหรือใจทั้งหลายก็คือความคิดความคิดที่เราคิดความรู้สึกยินดีไม่ยินดีชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกใจ คือมันมีสองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรมใจนี่เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมใจไม่ใช่สมองฮะสติไม่เหมืสติสติสติเป็นเป็นคุณสมบัติของใจเป็นส่วนจนึ่นส่วนหนึ่งของกฎหมายของ มวจะเป็นคเป็นขวัญอะไรจะีบัวอะไรเ็นสมาธิจัดใช่เปสคนที่เป็นที่เป็นห่วงแล้วก็ทีกลัวอันนี้มาจากใจราจะมัหวงมากอะไร อ, อ, อย่างนี้เป็นสมาจัดใช่เ็มาธิสติเนาะแค่อย่างนี้คนที่วิตกกังวลกลัวนนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดสติ อของใครของพ่อระยุทธ์เลยพ่อไปยึดตัวโอเคพูดเรื่องอะไรบ้างไปรู้ได้ดูยังท่านได้เช็คดูท่านดูสารบัญดูสารบัญท่านเวลาจะให้ดูสารบัญแล้วกบแล้วก็บอกดูสารบัญที่หมดอันนี้พูดถึงเรื่อ ง, องบอกภาษาอังกฤษเถอท่านบอกเลย ไทยพุทธิซึมก็คือผู้ธศาสนาต้องบอกเป็นเสก่วกับกักรีกับเขาถนัดภาษาไทยเขาถนัดภาษาไทยเขาไม่เข้าใจไทยพุทธิซึ่มในน The Buddhist World บอก่ก็ให้เขาอ่านเองไปเลยดีกว่าับไเขาไม่ค่อยเข้าใจประเด็นจริงในเรื่องนั้นผมก็ไม่เข้าใจผมผมไม่เข้าใจเลาต้องจะพูดยเวลาเราดูที่สารบัญ ว่าถ้าเขาพูดเรื่องอะไรเพราะว่าจริงๆโยมเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่าสติกับใจมันต่างกันยังไงเงี้ยนี่คือเป็นปัญหาเขาใจใช่ไหมืม่อทีความรู้สึกกลัวความรู้สึกกังวลอย่างเงี้ยความรู้สึกกังวลท้อถอยท้อแท้อ ย, อย่างเงี้ยมีสติไหมไอ้สติมันเป็นยังไงใจมันเป็นยังไงใช่ไหมไอ้กรณีอย่างเงี้ยเวลาเราสื่อไอ้ภาษาภาษาอังกฤษหนึ่งเราไม่รู้ใช้ภาษาสติยัง งั้นตรงนี้ก็คือให้ดูพจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษด้วยเลวลาจะอ่า น, นึงนเนี้ยนะั้นตรงนี้ก็ตอบแบบคร่าวๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะว่าไอ้ตัวคนที่กลัวคนที่วิตกกังวล ทั้งหลายเราเนี้ยในขณะที่เกิดความเครียดความโกรธทั้งหลายในตอนนั้นน่ยขณะนั้นนะ่ยสติไม่เกิดในจิตแต่ถ้าเวลาใดเนี่ยมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งตั้งมั่นมีความแกล้ากล้าอาจหานมีปัญญารู้และเข้าใจในสติจะมีมาในขณะนั้นสติมันจะมาด้วยการที่ว่าระลึกได้ตามาระลึกได้ถ้าสมมติว่าคนดาใดก็ะจะเป็นคืออีกก็จะเป็นสติ ถเป็นใหม่ก็จะเป็นชตท่จะเขามาไม่ได้เพรัะว่าจะเป็นจะชาติที่เขายันอยู่ต่อไปหรือว่าจะเป็นไฉที่ไปยันอยู่ถ้าตายก็จะเป็นเราคาสมมติว่าจะเป็นคนใดก็จะเป็นคาดสมมติว่ายันยนในไฉมีเกย์ยันอยู่ในไฉนั่คือมาอีกใช่ใช่จะต้องมาเป็นสาติหรือว่าเป็นสัต ชาติปกติอยู่ที่ในสมองคืออย่างนี้ไอ้สมองเนี่ยเป็นรูปธรรม<อ>ไม่ใช่นา ม, มาธรรม <c ười> ถ้าอุปมาอย่างนี้อุปมาว่าถ้าอุมาเป็นรูปธรรมก็คือว่าอาจารย์จะบอกบาอาจารย์ไม่บเหมือนรถยนต์เนี่ย <c ười> เครื่องยนต์เนี่ย <c ười> เครื่องยนต์เหมือนสมองเครื่องเครื่องเครื่องยนต์ของรถยนต์เนี่ยเหมือนสมองคนขับเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนจิตเหมือนนามาธรรม ฉะนั้นในตัวสมองเนี่ยมันมันไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นตัวแค่คอยคอยเป็นไปตามที่ว่าไอ้ตัวบุคคลที่ขับรถเนี่ยมีความต้องการจะจะเหยียบคันเร่งยังไงจะกําหนดยังไงจะขับยังไงเพจะเลี้ยวไงไอ้ตัวเครื่องยนต์หรือกลไกหรือตัวสมองนั้นมันก็เป็นตัวกํากับล้อให้หมุนซ้ายหมุนขวาหรือวิ่งตรงเลยก็แล้วแต่ฉะนั้นสมองมันเป็นตัวเป็นตัวรูปธรรมที่มากําหนด อวัยวะต่างๆอีกทีหนึง่งแต่ไอ้จิตนี่เป็นนามธรรมาเป็นตัวคอนโทรลสมองอีกทีหนึ่งนันหละ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ไอ้ตัว <c oughs> ไอ้ตัวสติสติมันจะมามาเป็นบางครั้งบางคราว <c oughs> ในขณะที่ <c oughs> จิตเกิดความตั้งมั่น <c oughs> มีความเชื่อมั่น เวลามีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นมีความแกล้งกล้าเกิดขึ้นมีสมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นในขณะนั้นสติมีแต่ถ้าสมาธิไม่เกิดฟุง้งซ่านเครียดวิตกกังวลตอนนั้นสติไม่เกิดแต่มันเกิดแต่จิตจิตมันยังเกิดอยู่สติมันมาบางครั้งบางคราวมันไม่มาบางครั้งมันไม่มา ยามกลัวกำหนัดยินดีเพิดเพลินขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาวิตกกังวลตอนนั้นสติไม่เกิดแต่จิตมันเกิดตลอดจิตมันกลัวไอ้สมองก็ละเรื่องสมองเป็นรูปธรรมจิตเป็นนามธรรมจิตใจนะอันเดียวกันเป็นนามธรรมไม่มีตัวเกิดดับสืบต่อกระบวนการความคิดเป็นแค่ความคิดเป็นกระบวนการความคิด แต่กำกับพวกสมองอีกทีสมองมากํากับมือกํากับเท้าคอยคอนโทร่ต่างๆอีกทีหนึ่งแต่ทั้งหมดเหล่านี้มีนมามธรรมเป็นตัวกํากับอยู่เบื้องหลังนมามธรรมเหล่านี้ก็เกิดดับสืบต่อการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการเกิดดับสืบต่อก็คือเพียงขณะจิตหนึ่งๆเท่านั้นเองกระบวนการความคิดของมนุษย์เนี่ยเร็วมากกําหนดไม่ได้นั่งอยู่อย่างเนี้ยคิดถึงบ้านมันไปแล้วนั่นแหละ คิดกลับบ้านคิดไปไหนมันไปหมด <ไป S 1> คิดครับนั่นแหละจิตยยมันไปแค่นามธรร ม, ามใช่ไหมแต่ว่าเห็นไหมมันไม่มีรูปร่างโยมคิดออกนอกประตูไม่ต้องไปเปิดประตูนะแต่ความคิดทะลุปไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกรณีว่าพอตายปุ๊บไปเกิดในคันเนี่ยไม่นปฏิสนธิในคันทันทีเลยเนี่ย ม, มันไม่ได้วิ่งไปนะไม่ต้องวิ่งไปเลยมันมีอนุภาพ อนุภาพแห่งการปุ๊บจุดติคือตายปฏิสนธิเกิดทันทีเงี้ยถามมันไปยังไงมันไปได้เหมือนกับเปิดหีบปุ๊บปิดหีบแล้วคิดเข้าไปในหีบไม่ต้องไปเปิดหีบขึ้นมาความคิดมันทะลุเข้าไปได้เลยใช่ไหมอย่างคิดเข้าไปในห้องเนี้ยฉะนั้นการเกิดการตายเนี่ยถ้าในขนาดใกล้จะตายตอนนั้นน่ะน้ำทะเล นิมิตของทะเลปรากฏตายในขณะนั้นปุ๊บจะปฏิสนติในครันของพวกป่าเป็นต้นเลยจะไปตีปฏิสติในป่าทาันทีอย่างนี้เป็นต้นมันน้อมน้อมไปเกิดในทะเลนั่นแหละในใละะั่นแหละหรือว่าป่ามาเป็นอารมณ์ในขณะนั้นใกล้ตายเงี้ยมันจะเกิดเป็นพวกสัตว์ป่าเงี้ยนะคืออย่างนี้เป็นต้นถ้าในกรณีที่เรากําลังจะตาย อย่างไอกรณีอย่างเงี้ยโอกาสจะไปปฏิเสธท้องแมวก็ได้ถ้าแมวเป็นแมวเพศเมียแล้วเขาได้เหตุปัจจัยด้วยนะแต่ทําไมอย่างงั้นอาจจะไปเกิดเป็นหมัดเป็นเหาหรือเป็นเห็บใช่หรือเป็นพยาธิในตัวเขาก็ได้งี้เป็นต้นมันพร้อมที่จะไปเกิดได้หมดเลยนี่นี่คือคือเรื่องเรื่องสังสารวัตเป็นแบบนี้ทํา มันต้องมีองค์ประกอบนี่กาองค์ความรู้ค่อนข้างเยอะอ ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าทําไมเราต้องมาทําดีทําไมเราต้องมาไหว้พระเจดีทําไมเราต้องมาไหว้พระพุทธรูปเพราะต้องการทํานิมิตที่ดีๆเข้าไว้ไอ้นิมิตที่ดีๆนี่แหละมันจะนําสุขติการเกิดที่ดีมานี่สําหรับผู้ที่ยังต้องเกิดอยู่ฉะนั้นกุศล เหตปัจจัยทั้งหลายสิ่งดีๆทั้งหลายที่เราทำไว้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นกุศลกรรมนิมิตมันจะเป็นการสร้างนิมิตที่ดีให้กับตนเองเครื่องหมายที่ดีๆให้กับตนเองมีอุปกรณ์ที่ดีๆให้กับตนเองที่ทำให้ตนเองระลึกแล้วกุศลและจิตมันเกิดแล้วจิตดีมันเกิดขึ้นจิตสะอาดจิตผ่องใสจิตไม่เครียดจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีความสุข กิจที่มีปีติโสมนัดทั้งหลายมันเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้กุศลมันเป็นนามนธรรมแบบนี้เห็นไมนามนธรรมที่เกิดขึ้นจากกา ร, ก, ารกระทำสิ่งที่ดีๆถ้าไปกระทำสิ่งดีๆจริงแต่กุศลมันไม่เกิดก็ได้เช่นมันได้แค่รูปแบบก็ได้เช่นเราเอาของไปให้งแต่ใจเราไม่ได้มีความปิติยินดีอะไรเลยเราทำดีเยอะแยะหมดใช่ไม แต่เราไม่เคยเกิดความสุขเลยเงี้ยไม่เคยเกิดความรู้สึกสดชื่นล่าเริงผ่องใสเบิกบานเลยอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นกุศลอะไรหรอกมันได้แค่รูปแบบมันแค่าการกระทำเหมือนเป็นนั่งเงี้ยเข้าไปอยู่ในวัดก็ได้แต่จริงๆแล้วอยู่ในวัดแต่ใจมันเครียดมันกลุ่มมันทุกข์มันวิตกกังวลอย่างเมื่อสักคที่ที่ยอมถามมาเนี่ยกรณีอย่างนั้นแปลว่ากุศลไม่เกิดบุญไม่เกิดหรือสติไม่เกิด สติก็เป็นส่วนหนึ่งของคํ า, าบุญเหมือนกันเวลามีสติเนี่ยสติลักษณะของเขาก็คือการระลึกหรือการจับอารมณ์นั้นดึงอารมณ์นั้นเช่นดึงเรื่องราวในอดีตมาให้ใจรับรู้แต่ว่าดึงมาให้ใจรับรู้แล้วใจมีความสุขด้วยใจสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วด้วยไม่มีกิเลสไม่มีความเศร้าหมองด้วย ถ้าสติเกิดขึ้นจิตจะผ่องแผ้วจิตจะใสจิตจะสะอาดอย่างนี้แต่ถ้าสติไม่เกิดมันจะเครียดมันจะกุ้มมันจะทุกข์มันจะวิตกกังวลนั้นบ่งบอกเลยว่าสติมันไม่ทำงานเคยเป็นไหมว่าเครียดทุกข์กลัวกังวลเคยเป็นไหมนั่นแหละคือสติไม่มีถ้าสติมีมันจะสะกัดจักกันความรู้สึกเหล่านี้ไม่ให้ความรู้สึกชั่วร้ายทั้งหลายมันไหลเข้า แล้วมันก็รักษาความดีไว้รักษากุศลไว้รักษาความเชื่อมั่นไว้รักษาความกล้าๆไว้รักษาความตั้งมั่นแห่งจิตไว้แล้วก็เป็นฐานปฏิบัติการทําให้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจหรือภาวะที่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยกําอาศัยสติเป็นฐานให้เป็นที่มั่นให้เป็นที่ตั้งให้งี้เป็นต้นฉะนั้นลักษณะว่าสติเกิดตลอดเวลาไม่ไหม สติจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรด้วยจากการที่มานัสิกาลึกคิดหรือใส่ใจที่จะทำให้มันเกิดมันไม่ได้เกิดเองนะต้องหาเหตุปัจจัยมันเกิดเช่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือระลึกถึงหรือว่าเราคิดถึงความดีที่ทำเนี่ยนะการร ะ, ะลึกถึงสิ่งดีๆระลึกถึงกุศลความดีระลึกถึง สภาพจิตที่ดีๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในขณะที่เราลึกทําจิตของเราให้ตั้งมั่นตั้งมันตลอดเนี่ยสติมันมาตอนนั้นแหละสังเกตยังไงเวลาสติเกิดขึ้นมาปุ๊บจิตใจมันจะผ่องแผ้วจิตใจมันจะตั้งมั่นจิตใจมันจะเกิดความเชื่อมั่นจิตใจมันจะมีความสุขจิตใจมันจะเป็นมันจะเป็นภาวะแก่ความอดทนตั้งมันเกิดขึ้นเนี่ยลักษณะนี้สติมันเกิด แต่ถ้าหากว่าลังเลสงสัยฟุ้งซ่านราคาญใจนั่นแปลว่ามันเกิดแค่ความคิดแต่สติมันไม่มาด้วยใช่สติมันเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ถามว่าสติมันเกิดขึ้นได้ด้วยการอ้อนวอนหรือด้วยการทำให้มันเกิดไม่ใช่อ้อนวอนสติไม่ไปอ้อนวอนขอไม่ได้เพราะต้องให้อาหารเขาอาหารของสติก็คือก็คือ เช่นระลึกถึงคุณของพระเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำระลึกถึงความดีที่ตนเองทำเนี่ยการระลึกการจำได้การจำได้ว่าเราเคยทำอะไรดีๆไอการจำได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงความจำตัวนี้แหละมันเป็นเหตุทาให้สติเกิดและการที่ฝึกอยู่ใกล้กับคนที่มีสติตั้งมั่น คนไม่หลงลืมคนที่มีระบบความคิดที่ดีมีมีเรื่องราวที่ดีๆหรือก็แนะนำให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือการฉลาดในการอยู่ใกล้เพื่อจะฝึกให้สติเนะี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นมาเห็นไหมว่าหนึ่งเขางบอกว่ า, าคบหาบุคคลผู้มีสติ สองก็คือหลีกหนีคนที่หลงลืมสติสามก็คือว่าฝึกในการที่จะเจริญให้อาหารก็หมายความว่าฝึกในการที่จะเจริญระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นใช่ดูลมหายใจก็ได้ฉะนั้นการที่เรามีจิตไประลึกดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นแหละนั่นแหละก็เลยการเป็นการให้อาหารของสติ ให้เหตุปัจจัยที่จะทำให้สติมเจริญขึ้นเช่นฝึกดูลมเข้าในขณะที่นั่งนั่งอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเพียงแต่ว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้สึกตัวว่าขณะนี้หายใจเข้าให้รู้สึกตัวว่าขณะนี้หายใจออกแค่ความรู้สึกนั่นแหละคือสติคือรู้สึก แต่บางทีเราเนี่ยหายใจทิ้งเราไม่เคยรู้สึกตัวว่าขนาดนี้เข้าหรือออกเพียงแค่ความรู้สึกแค่นี้แหละให้รู้เข้ารู้ออกรู้ว่าขณะนี้เข้าก็รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกก็รู้ว่าขณะนี้ออกเพียงรู้เข้ารู้ออกแค่นี้นี่แหละคือการฝึกสติคําว่าฝึกสติก็คือฝึกให้สติมันมีพลังให้มันแข็งแรงนะให้มันแข็งแรงให้มันตั้งมัน มันไม่ใช่ฝึกแค่สติตัวเดียวสมาธิก็พลอยตั้งมันดูแล้วความเพียรก็พลอยได้ผลไปด้วยแล้วก็ได้ภาวะความเชื่อมั่นด้วยและเป็นฐานของปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างละเอียดต่อไปด้วยเนี่ยแค่ดูลมเข้าลมออกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการฝึกไม่ไม่สักแต่ว่าหายใจทิง้งมันไม่รู้สึกตัวใช่ไหม นี่อันนี้คือวิธีการว่าเห็นไหมว่าการที่เรานั่งอยู่แล้วก็ปล่อยใจเพลินไปเรื่อยไม่รู้ไม่รู้จากตัวเองว่านั่นแหละก็เรียกว่าขาดสตินั่นแหละก็เรียกประมาทเป็นมีชีวิตอยู่สักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆถึงแม้มีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วไม่ไม่ต่างอะไรกับคนตายแล้ว จำไหมว่าไม่เคยรู้สึกตัวอะไรไม่เคยปิดบาปอกุศลอะไรได้เลยแต่คนบางคนเนี่ยเขาฉลาดว่าหายใจเข้าก็าให้สติกำกับรู้ว่าขณะนี้เข้ามันจะเข้ายาวเข้าสั้นก็รู้ออกก็มีสติกำกับรู้ออกยาวออกสั้นก็รู้เลยรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกเนี่ย พอพอสติมันมาปุ๊บมันจะมีความสุขความสุขสดชื่นที่เกิดขึ้นปีติปลามโมดที่เกิดขึ้นจิตใจโปร่งโล่งเบาที่เกิดขึ้นในขณะที่รู้เข้ารั่วนั่นแหละสติมันทำงานอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมว่าจริงๆบางทีเราก็สามารถฝึกได้ถึงแม้เราจะสื่อความหมายอะไรไม่ได้มากแต่อย่างเนี้ย ก็ทำได้เออที่ประเด็นที่มาพูดก็ว่าตายแล้วเกิดพอจะจับประเด็นได้นะว่า<อ>มันคือมันอย่างนี้มันมันไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ความเชื่อกับความจริงมันคนละอย่างบางทีความเชื่อของเรามันก็ไม่จริงมันมีตั้งเยอะแยะ ก็มีเสียนกันเลยนะนอล้วก็เป็นความอยู่แล้วเขาก็บอกว่าอ่าแล้วคุณได้ในใเมื่อเราก็ไม่ได้เกิดในพระพุทธเจ้าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดุกก็เลยได้จะบอกว่าก็พระุทธเจ้าท่านเป็นตระตนจริงท่านก็อ่าได้สแสดงให้เห็นแล้วว่าคนตายแล้วเกิด หรือว่าตายแล้วไม่เกิดท่านก็ได้ไ ด, ได้ได้มีอธิบายไว้แล้วได้ได้สอนไว้แล้วเมื่อ 2,500 หรือว่า600ปีที่ผ่านมาค่ะคือ<ด>คือคือจริงๆบางทีมันอย่างนี้ว่าในเรื่องของการที่เราสนทนากันเนี่ยมันจะมีสองกรณนะีหนึ่งเอาความเห็นนำจิตกับสองเอาความรู้คือ หนูเชื่อว่าตายแล้วเกิดแต่แฟนเนี่ ย, แ ฟ, สสยแฟนเขายังไม่เชื่อเพราะเขายังไม่เห็นสสใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติในพุทธศาสนาเนี่ยยิ่งซักยิ่งสงสัยยิ่งดีในพุทธศาสนาสสเพราะว่าคําว่ายิ่งสงสัยก็คือจะได้หาข้อมูลเนี่งสงสยนะ การที่สงสัยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่ว่าพูดลอยๆก็เชื่ออย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันใช่แต่ไม่ใช่สงสัยแบบประเภทที่ไม่หาข้อมูลถ้าสงสัยเพื่อเอามาเถียงกันเฉยๆไม่มีประโยชน์แต่ถ้าสงสัยแล้วก็เอาละเราจะสแสวงหาข้อมูลเพื่อแก้ความสงสัยนี้ให้ได้อย่างเนี้ยสงสัยแบบเนี้ยดีใช่ไยิ่งซักยิ่งดีเหมือน กษัตริย์กรุงจีนนะตอนนั้นน่ะไม่ชอบพุทธศาสนาแต่พระมเหสีเนี่ยศรัทธาในพระเจ้ากษัตริย์กรุงจีนนี่บอกอยากจะทำลายคาสอนพระเจ้าภรรยาก็เลยบอกว่าถ้าเราต้องการอยากจะรู้จุดบกพร่องของศาสนาไหนคุณก็ต้องไปอ่านไปศึกษาก็เลยเอาคาสอนทั้งหมดมาให้พระเจ้ากรุงจีนนี่อ่าน จากการที่เขาไปอ่านเขาไปศึกษามันก็ได้คำตอบเมื่อได้คำตอบเบีดเสร็จก็ขจัดความลังเลสงสัยจากที่ไม่นับถือก็กลายมานับถืออย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรานำข้อมูลนำเสนอมันเป็นหน้าที่แต่อย่าเอาความเห็นไปนำเสนอแต่จงเอาความรู้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวนั่นแหละไปบอกไปนาเสนอ เมื่อบอกเสร็จแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปขัดเคืองเพราะว่าเราได้นำเสนอไปแล้วเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมฉะนั้นไม่ไม่ต้องไปกำกับหรือไม่ต้องบังคับว่าท่านเชื่อเชื่อแบบนี้คุณก็ต้องเชื่ออย่างฉันไอ้กรณีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นบังคับกันไม่ดี <c oughs> <c oughs> เข้าใจยางฉะนั้นเหมือนฉันเป็นคนนาเสนอข้อมูลเนี่ย ฉันไม่สามารถที่จะสื่อเรื่องอภาษาญี่ปุ่นได้เงี้ยเนี่ยฉันสื่อไม่ได้ฉันก็สามารถสื่อเป็นภาษาไทยได้ฉันก็พยายามใช้ภาษาที่คิดว่ามันง่ายที่สุดใช่ไหมในการที่จะบอกแต่เมื่อบอกไปแล้วฉันก็เป็นอิสระกับข้อมูลนั้นโดยไม่ต้องไปทิ น, นทุกเลยเขาจะเข้าใจแค่ไหนอย่างไรเราก็ให้เต็มที่แล้วเมื่อให้เต็มที่แล้วจบจบจ บ, จบในการสนทนาศเสร็จเราก็ เราก็เราก็เป็นอิสระเพราะเราให้ข้อมูลความรู้ไม่ได้ให้ความเห็นความจริงเนี่ยเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่การเวียนว่ายตายเกิดมันก็เป็นทุกวันอยู่อย่างนั้นเหมือนกันสังสารวัตรเนี่ยมันมีการเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่นั่นเป็นความจริงใช่ไหมเราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ความจริงมันก็เป็นความจริงก็กรณีที่คนคนนี้มีพฤติกรรมแบบเนี้ย เช่นมีพฤติกรรมไม่ดีมีสภาพจิตใจไม่ดีมีทัศนคความเห็นไม่ดีเราเชื mm. websites, ่อว่าเขาดีอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็คือเขาไม่ดีต่อให้เชื่อแทบตายเขาก็เป็นคนของเขาแบบเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นหรือในทางตรงกันข้ามเราเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนดีแต่จริงๆเขาไม่ดีเขาคือเขาไม่ดีเราเชื่อเป็นเขาคนเขาไม่ดีแต่จริงๆเขาดีก็คือมันดีอย่างเงี้ยความเชื่อเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงมันต้องไปอย่างรากลึกหรือไปเกิดร่วมกับปัญญาเมื่อไหร่ ถ้าปัญญามันเข้าไปรู้ความจริงไอ้ตรงนี้สําคัญที่สุดฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เดินจิตเพียงแค่เชื่อแต่ต้องให้พัฒนาไปถึงองค์ความรู้ที่เรียกว่าปัญญาให้ได้เมื่อพัฒนาไปถึงองค์ความรู้คือปัญญาได้มาแล้วมันก็ก็ปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นพอมีใครจะถามเลยไหมยมีไห ม, ม <laughs> ตรงนี้สิ่งที่เราควรม า, มาใส่ใจและเป็นความจริงก็คือว่าการขาดสติเนี่ยมันนำความทุกข์มาให้กับตนเองเช่นเวลาเกิดความเครียดเกิดความยินดีเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจเนี่ยเวลาสภาพจิตเป็นแบบนี้ พอสติไม่มากำกับอยู่กับจิตี่พบเนี่ยมันจะมันจะทุกข์เครียดวิตกกังวลอันนี้เป็นปัญหาทันทีอันนี้คือความจริงเนื้อความจริงมันเกิดแบบนี้ฉะนั้นคนที่เบียดเบียนตนเองก็ไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำดีหรือทำไม่ดีเนี่ยก็เลยกระทำเช่นเราทำสิ่งที่ไม่ดีเข้าไว้ไม่จำเป็นว่าใครจะรู้หรือไม่รู้แต่ความไม่ดีที่ตนเองทาเนี่ยมันตามมาอะไร เบียดเบียดความคิดเพราะในขณะที่เราทําปุ๊บแต่ละครั้งแต่ละเรื่องที่ทําทำ<ๆ>ทำทำ<ๆ>ไว้ทั้งหมดมันจําได้ไอ้ความจําได้ว่าเราทําไม่ดีไว้เนี่ยมันมันมาปรุงแต่งจิตหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นไปเช่นเราเคยทําชั่วกันไว้จะไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจอะไรก็แล้วแต่ทําไม่ดีก็ไว้เนี่ยความชั่วเหล่านั้นน่ยมันจะย้อนกลับมา ทุกครั้งเมื่อเมื่อมันมีอิทธิพลหรือได้เหตุปัจจัยพกขึ้นมามันจะตามมาเบียดเบียนปูงแต่งปูงแต่งใจให้เร่าร้อนให้กุ้มให้ทุกข์ให้วิตกกังวลใช่ไหมเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้บาปที่มันทำไว้เนี่ยมันทำยังไงมันก็ไม่ไม่หลุดลอยหายไปทีนี้มันมีอิทธิพลตอนไหนตอนเวลามนุษย์ใกล้ตายเนี่ย บาปตัวนี้มันจะตามมาแล้วไอ้ความรู้สึกที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีความจําที่ไม่ดีทั้งหลายมันจะมาตามเป็นนิมิตเครื่องหมายใช่เมื่อมาไปเสร็จ ป, ปุ๊บบางทีมันปรากฏเป็นรูปร่างเลยอยกตัวอย่างเช่นเราไปฆ่าสัตว์ไปไปฆ่าสัตว์เวลาใกล้ตายอุปกรณ์เรื่องราวเหตุการณ์ เหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเลยอาจจะเป็นสีมาปรากฏก็ได้เสียงมาปรากฏก็ได้กลิ่นมาปรากฏก็ได้หรือเรื่องราวต่างๆหรือเป็นภาพมาปรากฏเลยอันนี้เขาเรียกนิมิตนิมิตไม่ดีทั้งหลายเครื่องหมายที่ไม่ดีทั้งหลายที่มาปรากฏใกล้ตายเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขตินิมิตเมื่อเรารับนิมิตนั้นนา นํามินิมิตน้าปลปรากฏปุ๊บปั๊บรับอารมณ์นั้นจับอารมณ์นั้นได้ปุ๊บมเมื่อไรแล้วตายไปในขนาดนั้นเ mm hmm. นี่ยมันไปอบายทุกขติวินิบาตนรกก็คือดงข้างหน้าเนี่ยใช่ก็ไปเกิดเป็นพวกกลุ่มสัตว์นรกก็มีสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทที่เราเห็นกันอยู่เ mm hmm. นี่ยเ mm hmm. นี่ยเนี่ยสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกกลุ่มเปรตอีกกลุ่มหนึ่งคืออสุรกายใช่ไหมมีอยู่สี่กลุ่มใหญ่ๆสัตว์นรกเราไม่เคยเห็น แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเห็นเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเยอะหมดทุกประเภทสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเปรตเราก็ไม่เคยเห็นอะสุรากายเราก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมเนี่ยกลุ่มสี่กลุ่มเนี่ยเราเห็นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มีอยู่กลุ่มเดียวคือสัตว์เดรัจฉานอันนี้เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกทุกติภูมิภูมิที่เป็นไปไม่ดีแค่นั้นเวลานิมิตไม่ดีมาปรากฏจิตมันก็ นำเกิดแบบนี้แหละมันก็เกิดนี่กลุ่มนส่วนถ้าเป็นสุขตินิมิตเป็นนิมิตที่ดีนะเช่นการให้ทานการช่วยเหลือคนการช่วยเหลือชีวิตเขาการให้เขาการประพฤติดีต่อเขาการพูดดีต่อเขาการกระบวนการการทำการพูดการคิดการทำสิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วมันเกิดประทับใจมันก็จาได้เหมือนกัน พอมนุษย์ใกล้จะเปลี่ยนภพหรือใกล้าตายเนี่ยมันก็จะรับอารมณ์แบบเนี้ยพอรับอารมณ์เหล่านี้รับเรื่องราวแบบเสร็จแบบนี้ปุบ๊บมันมีนิมิตเครื่องหมายที่ดีปุบ๊บถ้าตายหรือเปลี่ยนภพเมื่อไหร่อันนี้สุคติเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างมนุษย์เราก็เห็นกันอยู่อันนี้คือสังสาระ น, นี่คือเรื่องภพชาติมันเป็นขึ้นมาอย่างนี้ทั้นมนุษย์เนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้ตายก็มี ยืนตายก็มีเดินไปตายก็มีนอนอยู่ตายก็มีมันตายได้ทุกเอียบดทุกลมหายใจเข้าออกในขณะที่เรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยทุกหายใจเข้าเนี่ยคนตายไม่รู้กี่ร้อยล้านเกิดไม่รู้กี่ร้อยล้านตายเกิดตายเกิดนี่เต็มไปหมดทุกๆกลมหายใจเข้าทุกหลับตาลืมตานี่คือนี่คือความจริงนี่คือความจริงของชีวิต แล้วบุคคลเหล่านั้นก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายเลยแต่ก็ตายมันตายทุกคนเลยนี่เนี่ยเราตั้งใจว่าเออเราจะไม่ตายเราจะไม่ตายไม่มีรอดหัดตกลายเลยเนี่ยทุกๆุกทุกๆกหลับตาลืมตาทุกลมหายใจเข้าออกสัตว์เกิดสัตว์ตายสัตว์เกิดสัตว์ตายมากจริงๆเอาแค่มนุษย์อย่างเดียวเนี่ยเจ็ดแปดพันล้านเนี่ยตายไม่รู้เท่าไหร่ตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่เนี่ย สัตว์ทะเฉานอีกหูไม่รู้เท่าไหร่ในน้ําเท่าไหร่บนบกเท่าไหร่บนต้นไม้ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเกิดตายกันอย่างประเภทที่คํานวณไม่ได้เลยมากมายขนาดนั้นนี่นี่คือในในภาษาพุทธิจารย์จะเรียกมหันตภัยภัยคือการตายภัยคือการเกิดภัยคือความแก่ภัยคือมหันตภัยคือความเจ็บไข้มหันตภัยคือไหมมีภัยใหญ่ใหญ่เลยก็คือมหันตภัยคือความเกิด เกิดกับปัญหาตาไ ม, มาเยอะมรดภัยคือความแก่เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเนี่ยมันชราหมดแล้วมรดภัยคือความเจ็บไข้มันโดนโรคภัยเบียดเบีย น, บ, ยนบีบคั้นตาหูจมูกผมขนเล็บฟันทั้งหลายมันทําหน้าที่เริ่มวิปลิตผิดเพี้ยนหมดแล้วมรดภัยคือความตายคือมันหยุดทําหน้าที่เพราะอาวัยวะทุกส่วนหยุดทําหน้าที่เขาเรียกตายตายก็ภาษาพาเรียกว่าจุตติ เขแปลว่าเคลื่อนย้ายแล้วก็ปฏิสนธิคือเกิดมันมันขณะเดียวเองปุ๊บเกิดทันทีสืบติดต่อทันทีไม่มีระหว่างไม่มีระหว่างเลยเร็วมากนี่คือเป็นมหันตภัยที่เราเจอกันอยู่พุทธศาสนาจึงสอนให้พ้นให้พ้นจากนี่แหละมหันตภัยเหล่านี้ให้ได้สอนให้พ้นจากมหันตภัยคือเกิดแก่เจ็บตาย ในายใครมาไม่ไดเงินออเออเขาไม่รู้ น, นี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> ฉะนั้นหมาหนตะัยคือความเกิดหมาหนตะัยคือความแก่หมาหนตะัยคือความเจ็บไข้มหมนตะัยคือความตายอันนี้หลักๆใหญ่เลยนี่นะ นี่คือเขาเรียกในภาษาของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามหันตภัยคำว่ามหันตภัยเนี่ยแปลว่าเป็นภัยที่ใหญ่โตมากที่มนุษย์เนี่ยหนีไม่พ้นเรารวดเร็วมากชีวิตหนึ่งหนึ่งเนี่ยแวบเดียวหมดแล้วที่เราเกี่ยวข้องกันเนี่ยเขาเรียกชั่วคราวลูกชั่วคราว พ่อชั่วคราวแม่ชั่วคราวสามีภรรยาชั่วคราวพี่น้องชั่วคราวแค่เหมือนเหมือนยอมโอ ด, ดขึ้นบนรถเมล์แล้วไปเจอกันไม่รู้มาจากไหนไม่รู้อา้าวพอถึงไปถึงไอ้ตัวที่ลงเขาก็ลงเขาก็ไม่รู้ไปไหนไปเจอกันแว บ, บกันตรงนั้นแหละเราก็เหมือนกันพอไปถึงที่ลงของเราเราก็ลงนี่เหมือนกันทิกมา ก็เลยโดดขึ้นมาไม่รู้มาจากไหนหนูไม่เคยรู้ว่ามาจากพบไหนแล้วพอตายเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนี่อะไรทําให้เราไม่รู้ภาษาพระเรียกโมหะอวิชชาคือความไม่รู้โมหะคือความมืดบอดอการไม่รู้สังสารวัฏการไม่รู้การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นความโง่ชนิดหนึ่งของหมู่สัตว์แต่ถ้าสัตว์ขจัดความโง่ได้แล้วจะรู้จะรู้ว่ากระแสชีวิตมาอย่าง ไ, ไางไปยังไง มันจะเห็นตลอดสายมันจะเห็นตลอดสายเลยมันจะเห็นว่ากระแสชีวิตมาอย่างไงเป็นอยู่อย่างไรและจะไปอย่างไเนี่เขาเรียกว่าพอความพอความไม่รู้มันถูกขจัดออกปัญญาคือความรู้มันมาเกิดในใจปุ๊บเป็นแสงสว่างมันจะมองเห็นตลอดมองไปอดีตก็เห็นมองไปอนาคตก็เห็นมองปัจจุบันก็เห็น มันเห็น3ามการเนี่ยนะอดีตก็เห็นอนาคตก็เห็นปัจจุบันก็เห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยต่อให้สงสยัยแทบตายมันก็มองไม่เห็นเพราะขาดอะไรขาดปัญญาก็เหลือแสงสว่างแล้วขั้นารครัที่ที่พยาธิค้างอยูก็คือเราจะต้องมาจัดการเราจะเริ่มต้องไร ก, ก็ฟังให้เข้าใจไ ง, งจยกตัวอย่างอย่างนี้รกรณีหนูถ้าหนูอยากจะไปยะลาเนี่ยหนูไม่รู้เรื่องเลยไปยังไง ต้องอันดับแรกก็ต้องมาฟังให้เขาขีดฟังเสร็จปุ๊บก็ขีดแผนที่เห็นไหมหนึ่งได้ฟังให้เข้าใจเมื่อเข้าใจเบีเสร็จปุ๊บก็เริ่มเขียนแผนที่หรือคนเขาเขียนให้ดูเสร็จปุ๊บบอกจุดเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเพราะได้รายละเอียดมากที่สุดเบดเสร็จปุ๊บต่อไปหนูขับรถ ล, ลงมือหรือเดิน ไอ้กรณีที่เดินขับรถเนี่ยอันนี้แหละก็เรียกว่าดูแผนที่ตลอดแล้วก็เดินไปตามแผนที่ทีนี้ในแผนที่มันเขียนละเอียดอย่างนั้นไม่ได้แต่พอแต่มันรุดจุดสาคัญทั้งหมดมันก็เดินไปมันก็สารวจไปมันก็เห็นความจริงไปทุกทุกขั้นตอนที่พรธเจ้าบอกไว้ปุบ๊บเราก็ลงมือมนศิการใส่ใจไปมันก็เห็น ในขณะที่เราเห็นทุกขั้นตอนไปนั่นแหละมันจะมีความรู้สึกว่าพระดารัสของพระพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปลผันที่พูดอย่างนี้ก็จริงที่บอกว่ามันเป็นทุกมันทุกอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันมีการความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมดาของกระแสชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันเห็นไง เห็นตามพระดำรัตนนั้นก็รู้ยิ่งตื่นเต้นยิ่งชื่นใจว่าโอ้เนี่ยพิสูจน์ได้จริงๆมันเห็นได้จริงๆแล้วก็เข้าถึงได้สัมผัสได้ทุกๆขั้นตอนจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนี่พระดำรัตของพระพุทธเจ้าจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นพูดปุ๊บเนี่ยฟังพอเข้าใจพอเข้าใจก็เขาเรียกปฏิบัติบาเพ็ญก็ฝึกตามนั้นเลยแต่ไม่ใช่ไม่รู้ ไม่ใช่สมาธิเป็นส่วนหนึ่งสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติยืนก็ปฏิบัติได้ถ้าเป็นใช่ไมเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะใช่ไมก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกอียาบททั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอุปกรณ์แก่การที่จะฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาฝึกความเพียรได้หมดเลยนะ ไม่ใช่เพียงในเอียบดนั่งนะั้นมันเป็นเพียงหนึ่งในเอียบด ท, ที่จะเป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝึกความเพียรฝึกสติฝึกปัญญาว่าทำไมต้องนั่งเพราะเอียบดนั่งมันดูมั น, ม, นมั่นคงหน่อยและนั่งต้องการฝึกอะไระถ้าดูลมหายใจก็เอาลมหายใจอุปกรณ์จริงๆไม่ใช่เอียบดนั่งนะอุปกรณ์จริงๆก็คืออารมณหายใจเป็นอุปกรณ์ที่จะทาให้ความเพียรสร้างสรรค์เกิดขึ้น มีสติตั้งมั่นมีปัญญารู้เห็นเห็นไหมเพื่อจะเนี่ยเอาตัวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเอาเป็นอุปกรณ์เห็นการฝึกให้ได้สติเพิ่มขึ้นให้ได้ความเพียรเพิ่มขึ้นให้ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นแม้เดินก็เอาเอียบทเดินมาเป็นอุปกรณ์การฝึกเอียบอยืนมาเป็นอุปกรณ์การฝึกเอียบทดเห็นการก้าวไปถอยกลับทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแรตรงแลเหลียวเนี่ยเป็นอุปกรณ์การฝึกได้หมดเลยฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ย มันไม่ใช่แค่นั่งอย่างเดียวแต่มันในชีวิตจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกรณ์แก่การฝึกได้หมดเลยแก่ที่จะทำความเพียรที่สร้างสารรทำสติในการกาหนดรู้ทำปัญญาให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มฉลาดในการใชเหมือนการฟังเนี่ยในขณะที่ฟังมันเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมานั่นการปฏิบัติมันเกิดขึ้น มันมีความเพียรที่สร้างสารรค์เกิดขึ้นในขณะนั้นประคองใจให้อยู่กับการฟังและมีสติกำหนดหมายรู้อย่างติดต่อและต่อเนื่องและมีความตั้งมั่นแห่งจิตในขณะที่ฟังมีปัญญารู้และเข้าใจในขณะฟังแปลว่าอะไรปฏิบัติเกิดขึ้นนี่ยังเกิดแล้วมันเกิดในขณะฟังนี่แหละเพราะงั้นเถอะเนี่ยแล้วกรณีอย่างนี้ก็คือว่าการฟังแล้วการปฏิบัติบำเพ็ญมันเกิดขึ้นเลยในขณะนั้น บางท่านฟังมันนันสิการใส่ใจเรียนรู้ไปเนี่ยฟังในะแทงตลอดได้ในขนาด น, นั้นก็เยอะแยะหมดอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าการการอย่างพระเจ้าไปแสดงธรรมสาวกพระเจ้าแสดงธรรมในขณะที่แสดงไปแสดงไปเนี่ยบรรลุเลยคนฟังบรรลุเลยนั่นคือการปฏิบัติใช่ไหมหรือบางท่านก็เอาภาษยาไทยเลยทีเนี้ย จำได้กับภาษาทยายว่าเยววเมสุต e e, ah ah si ah ah ah uh, ังเยกังสมัยยังปักวะภาลานวสียงมยารตีสิบปเนมีกระทาเยตตระโคปักวาปัญญวกิติกัวอ่ามันเตศรเนี่ยเขารู้ความหมายรู้ความหมายรู้อัฏ ฐ, ฐารู้พยัญชนะรู้อัฏ ฐ, ฐารู้ธรรมะปรามโมดปีติปสัสสิสุขสมาธิเกิดแล้วก็แทงตลอดได้ในขณะที่เขากําลังสาทยายไปหลักการปฏิบัติมันก็มีดังเยอะแยะมันไม่ใช่แค่นั่งอย่างเดียวก็ใยอย่าง มันเปนน็นทุกอย่างมันเป็นอุปกรณ์แกการเกิดปัญญาหมดเลยนั้นปัญญามันเกิดได้แต่ว่าบางคนมันไม่เกิดเพราะมันไม่เคยเอาอุปกรณ์หรือสิ่งที่ตนเองไปเกี่ยวข้องเป็นอุปกรณ์แกการฝึกความเพียรฝึกสติหรือฝึกสมาธิหรือปัญญาให้เกิดขึ้น มันก็สักว่าเป็นอยู่ตัวอย่าวันๆซึ่งเราเห็นอุปกรณ์เต็มไปหมดเห็นนิมิตเป็นเต็มไปหมดคนแก่แล้วก็เคยเห็นคนเกิดแล้วก็เคยเห็นคนเจ็บแล้วก็เคยเห็นคนตายแล้วก็เคยเห็นคนโศกความลำลายลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจเราเห็นหมดเลยแต่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่เป็นอุปกรณ์แก่การทําให้เราได้ศรัทธาทําให้เราไม่ได้ความเพียรไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเห็นไหมแต่ว่าอะไรแปลว่าเราก็สักแต่ว่าเห็นเห็นเห็นเห็นแต่เราไม่เคยได้ความสะดุ้งสะเทือน เห็นภัยในสังสารวัตเราไปเห็นเด็กก็อู้น่ารักน่ารักแล้วไปเห็นสุนัขเห็นแมวไปเลี้ยงกันไว้เนี่ยอู้น่ารักน่ารักเป็นอุป ก, กรณ์การเล่นเฉยเลยมัวเมาเฉยแทนที่เราจะสะดุงด้งสะเทือนโอ้โหน่ากลัวมากอบัยวะสัตว์เนี่ยมันมันไม่รู้เรื่องเลยโมหะมันเยอะมากเพราะฉะั้นเตอะบางทีเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยหมูสัตว์ตั้งหลายก็ชอบไปเล่นมันมันมันเพราะอะไรมันให้ มันให้โมหะนั้นคนขี้กโกรธคนเครียดจริงชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเพราะหมาแมวโมหะมันเยอะเมื่อโมหะมันเยอะมันเลยรู้สึกว่ามันมันทนต่ออารมณ์เราได้โมหะคืออะไรคะความหลงความหลงมันเยอะโมโหาภาษาไทยละก็คือโมหะเขาเรียกว่าหลงแต่เราไปนึกว่าโกรธ โกรธมันมาจากคาว่าโกรธะคือความโกรธความกลัวความโกรธแต่ภาษาไทยเราเนะี่ยไปเรียกโทสะเป็นโมหะโมโหใช่ไหมเราโมโห oh นี่แท้จริงก็คือโมโหแต่ น, นี้เป็นเชิงโมหะโมหามีสองลักษณะฟุ้งซ่านกับลังเลสงสัยไอค้คที่คนที่ลังเลสงสัยมันตัดสินใจไม่ได้เพราะมันคิดไม่ออกมันไม่รู้จะดำเนินชีวิตยังไง จะไปซ้ายจะไปขวาจะคิดยังไงมันคิดไม่ออกโมหะมันเยอะใช่ไหมเขาจึงเรียกโมโมูหจิตไงจิตที่หลงยกกำลังสองหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างมากมหลงจนรู้สึกตัดสินใจไม่ได้จะเอาอยัางไงกับชีวิตไม่รู้จะคิดยังไงมันคิดไม่ออกแล้วมันออกจากความรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้คนที่โมหะจึงยึดความเห็นกอดไว้ก่อนกอดเข้าไว้ไม่ยอมสละความเห็นออก เพราะมันกลัวมันสละออกแล้วมันจะอยู่กับอะไรใช่ไหมมันก็เลยลัดความเห็นไว้ผูกความเห็นไว้ว่างั้นเถอะความหลงเนี่ยมันทำให้ตัวเองกอดรัดฟัดเวี่ยงพนาพเนอกับความเห็นตัวเองไว้และก็ต้องการให้ใครสักคนนึงมารับรองความเห็นของตนเองฉะนั้นเวลาเราเกิดมีความเห็นมีความคิดยังไงเราก็จะไปหาคนอื่น แล้วก็ไปพัลน า, าความเห็นของเราให้คนอื่นฟังไม่ใช่ต้องการให้เขามาว่าเราเนอะหรือมาแนะนําอะไรเราเนอะแต่ต้องการให้เขารับรองความเห็นเราเห็นใจเราเข้าใจเราว่าความเห็นของฉันดีมันถูกงี้เป็นต้นโมหะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็กอ ด, ดรัดฟัดอวิเองกับความเห็นอยู่นั่นแหละพนเอานอกับความเห็นเคยเป็นไหมล่ะแล้วก็ ถ้าเป็นโมหะอีกประเภทหนึ่งที่มันยึดความเห็นมากๆก็คือต้องการให้ความเห็นของตอนเองเป็นความจริงโอ้โหเหนื่อยเลยตรงนี้นะเช่นฉันชอบแมวนถ้าใครจะมารักฉันต้องรักแมวฉันด้วยเอาละสินีน้บังคับคนอื่นแล้วเคยเป็นไหมหนูเคยเป็ น, นอะไรนะั้นไม่เป็นใช่ไหมนั้นคนบางคนมันต้องกอดลัดวัดเบี่ยงกับความเห็นมาก เยอะไหมแบบเนี้ยเราเป็นบ้างไหมเป็นใช่ไหมเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยก็คือว่ามนุษย์ทั้งหลายก็เลยว่ากอดความเห็นแล้วก็สละทิ้งความเห็นได้ยากเมื่อเราชอบแบบนี้เห็นอย่างนี้มีทัศนคติอย่างนี้ก็พนาพนาพนนอนแล้วก็อยู่กับมันแล้วก็รู้สึกจะเพลินกับมันอย่างเงี้ยเช่นบางคน นำมีเรื่องความทุกข์ทั้งหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเราเราเป็นควนชอบออภาพสวยๆแล้วก็สะสมภาพสวยๆใช่ไมถ้าเรามองกันก็เหมือนคนดีทั่วๆไปนี่แหละแล้วก็อยู่กับเรื่องที่เราพเนาพนออยู่นั่นแหละถ้าถามว่าถ้า ถ้าใครมาชมชมสิ่งที่เราชอบเป็นยังไงถ้าเขามาตำหนิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนักเข้านักเข้าเนี่ยอย่างนี้ฉันชอบอย่าเนี้ยฉันชอบน้ำแบบนี้ชอบนะถ้าใครบอกโอ้ดีมากนะกินน้ำอย่างนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายอ้ชื่นใจเหมือนเขาชมเราเราไปมองว่าอันนี้เป็นเรา เป็นของของเราไปแล้วเห็นไหมฉะนั้นกระบวนการความคิดที่เราไปยึดติดแล้วก็กอดลัดฟัดเบี่ยงกับมันแล้วก็ไม่ยอมสละสละได้ยากสละความเห็นได้ยากเราสมาทานนี้ถ้าในลักษณะของคนมีปัญญาเขาจะสมาทานตั้งใจว่าเขาจะไม่ยึดมั่นในความเห็นที่ผิดถ้ารู้ว่าอันนี้ผิดขอให้เขาสละได้อย่างรวดเร็วและได้ง่ายดาย โดยไม่ยากลำบากเลยบางคนเนี่ย เ, เห็นอย่างไรก็ไปหาผู้รับรองใช่ไหมเราอยากให้คนรับรองความเห็นเราถ้ามีใครสักคนหนึ่งรับรองความเห็นเราเราก็จะชอบใจเขาชื่นใจชื่นใจเหลือเกินคนคนนี้รับรองแล้วเราก็จะพนา้าพนานอวันเนี้ยคนนั้นน่ะเขาดีกับเราเขารับรองพฤติกรรมเรารับรองความเห็นเรา ถ้าไปหาใครใครไม่รับรองใครไม่นั่นเราก็จะโกรธเขาไอคนนี้ไม่ใช่พวกมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็กอดรัดฟาดเวียงพนักพนนวความเห็นเพราะไอคนนั้นตายไปเราจะเสียดายมากเพราะมันเหมือนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราไปแล้วเพราะว่าเราหาต่อไปเราจะหาคนรับรองความเห็นเราไม่มีเราก็ทุกข์แล้วเราก็คิดถึงคนนั้นตลอดเคยไหมนอนก็คิดถึงเขา เพราะแต่ก่อนเนี่ยเราล้อไห้มาเขาก็โอ้เราเราทุกข์ใจมาไอคนนั้นก็โอ้เราฟัางกันด้วยเราไปทะเลาะ ก, กับใครมาเขาก็โอ้เราเนี่ยทีนี้ไอคนที่พันพน้บพันอความเห็นเราเนี่ยตายไปเราจะเหงาว้าวีเราอยากหาใครสักคนหนึ่งที่มาโอ้ความเห็นเราพันพนับพันอหรือรับรองความเห็นเราแล้วก็วิ่งหาต่อไป พอไปเจอใครทักคนแล้วก็เอาแล้วไปกอดรัดวัดเบียรว่าคนคนนี้เนี่ยหมู่สัตว์เป็นแบบนี้อ่มันจึงไปตามธาตุไปตามความเห็นนี้นี้ไม่ได้อยู่กับความรู้นะนี่คือการอยู่กับความเห็นโอกาสเข้าถึงความจริงยากความจริงมันทีคนละเรื่องเลยที่ประเด็นก็มาถามถึงพวกเราเลยว่าตอนนี้เราให้ความเห็น ให้ความรู้สึกนาจิตเราหรือให้ความรู้นำจิตเราโดยส่วนใหญ่ก็ให้ความรู้สึกชอบก็อยากเข้าไปเกี่ยวพันไม่ชอบก็อยากะหนิหลีกหนีหรือเฉยๆก็เรย่อยเอื่อยๆก็ไม่ต้องการจะไปเราอยู่แค่เนี้ยเราให้ความชอบไม่ชอบเป็นตัวนำจิตเราอันนี้ด้านเสพด้านเสพเราเห็นสีที่สวย ชอบแล้วก็อยากเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ชอบแล้วก็อยากจะหนีเสียงก็เหมือนกันถ้าชอบก็เข้าไปเกี่ยวข้องดึงเข้ามาตอบสนองอัตราตัวตนถ้าไม่ชอบก็ผักหนีหรือเฉยๆก็ไม่ค่อยสนใจเห็นไหมรูปเสียงก่นรถสัมผัสหรือสีเสียงกิีนรถทั้งหลายอย่านี้สภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนี่เราจะเป็นลักษณะนี้ก็เรียกเร า, เ, ราเสพแม้เนี่ยเหมือนกันไ iPhone ยุค p h o n e ยุคสมาร์ทโฟนยุคยคเนี้ยเราเราถามว่าเรามีไว้เพื่อเสพหรือมีไว้เพื่อศึกษาโดยส่วนใหญ่ก็เสพก็คื อ, คอชอบไม่ชอบทีนี้ยุคยุคแห่งการเสพเนี่ยเป็นยุคน่ากลัวถ้าศึกษาและสร้างสรรค์นเนี่คนละอย่างกันเลยเนะเรามาวิจัยแยกแยะอันนี้มปนด้านปัญญาพุทธศาสนาเนี่ยสอนด้านศึกษาสอนด้านการสร้างสรรค์ แเราเนี่ยเป็นนักเสพเป็นนักบริโภคไม่ใช่นักศึกษาเนี่ยมันก็เลยต่างกันเลยเมือนญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นเขาเป็นที่เขาสงสัยคิดนู้นคิดน้ น, น, นจริงๆเขาเป็นอัตยาสายสังคมเขาเนี่ยก็สอนในด้านของมันเป็นเป็นนักผลิตพวกเราเนี่เป็นพวกบริโภคนิยมใช่ไหมพวกเขาศึกษามากกว่าพวกเราเนี่เสพเขาเป็นคนคิดค้นออกมา ไม่ว่าจะเกมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะอะไรแล้ว แ, แต่เนี่ยเขาเขาาผลิตเนี่ยคนนี้เา็นักศึกษาเขาเขาสังคมเขาเป็นระบบการศึกษาแต่ของเราเสพแล้วก็เพลินแล้วก็สบายแล้วก็ไม่ไปต่อเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้คือความต่างนี่หนูหนูเป็นนักเสพไปคบกับแฟนที่เป็นนักศึกษาและสร้างสารรค์มันก็มันก็ หนูเชื่ออย่างนี้ก็อยากให้เขาเชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อหนูเครียดแต่หนูไม่สามารถให้เหตุผลเขาได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าหนูสามารถให้เหตุผลเขาได้มันไม่ใช่เป็นความรู้ของหนูแต่เป็นความรู้ที่พระเจ้าทันตลอดแล้วก็อปัญญาพระเาบอกเขาเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับหนูเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่เห็นเป็นไรเลยหนูไม่เห็นต้องสะเทือนอะไรนี่ก็หนูก็มีข้อมูลความรู้ไปความจริงก็คือความจริงเหมือนหนูอยู่ตรงนี้ 25บห้าองศาแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างนอกเท่าไหร่สามสิบสามสิบกว่าเห็นไหมว่าความจริงเนี่ยมันคือสามสิบกว่าองศาแต่เราต้องการอยากจะได้ยี่สิบห้าเราใช้ความสามารถทำห้องสี่เหลี่ยมขึ้นม า, เอา เ, อาเอาเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งขึ้นมาเราถึงได้แบบนี้อันนี้คือความสามารถของมนุษย์ ที่ทำความเห็นให้มันเป็นความจริงได้ตามศักยภาพที่มนุษย์จะทำแต่มันทำทั้งโลกได้ไหมไม่ได้ศักยภาพยังไม่พออย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในความเห็นกับความจริงเนี่ยมันความรู้นันมันก็เลยประเด็นความจริงมันก็เป็นความจริงเขาถูกอบรมมาวัฒนธรรมสั่งสมวิธีคิดยังไงเขาก็สั่งสมมาแบบนี้อันนี้คือความจริงความจริงก็เป็นแบบนี้ แต่ถ้าหนูต้องการอยากจะให้เขาเห็นความจริงหนูต้องเพียรพยายามหาข้อมูลให้เขาแล้วให้เขาอ่านเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างนี้ถ้าถ้าในกรณีอย่างนี้ก็แปลว่านี่คือคือว่าเออเราเราต้องการให้เขาเข้าใจแต่เขาจะได้แค่ไหนเป็นเรื่องของขใช่ไหมเราก็ให้เต็มที่เท่าที่จะให้ได้เขาอาจจะกลับไปแบบไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็ไม่เห็นเป็นไรเลย ความไม่เข้าใจในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็ ต, ต้องดูว่าเอาอย่างนี้ถามว่าเราทําดีมันเต็มที่นะเรื่องชาติหน้าถ้ามันมีเราก็สบายเพราะเราทําดีเต็มที่เนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ใจแล้วแต่ถ้าเราทําชั่วเพราะเราเชื่อว่าพบหน้ามันไม่มีก็ลุยทําชั่วเต็มที่เลยแต่พอถ้าถ้าเกิด ถ้าเกิดพบหน้ามันมีจริงๆซวยไหมนก็ซวยเลยตอนนี้ยตายแล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมถ้าเราทำดีให้เต็มที่ในอัตภาพนี้ความดีมันเกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งเมื่อเราทำสิ่งที่ดีคุณภาพจิตที่ดีก็เกิดขึ้นเอาละสิจิตแข็งแรงเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นจิตสะอาดเกิดขึ้นจิตมีความสุขเกิดขึ้น จิตที่เป็นไปกับปัญญาเกิดขึ้นมีสติเกิดขึ้นโหมันได้แล้วเห็นไหมความดีมันให้ผลที่ใจแล้วระดับที่หนึ่งระดับที่สองบุคลิกภาพที่ดีๆพฤติกรรมที่ดีๆมันออกมาแล้วสีหน้าแววตาที่ดีพฤติกรรมที่อ่อนโยนมันออกมาเห็นไหมมันได้สองระดับแลระดับจิตใจกับระดับพฤติกรรมโอ้โหมันได้ดีตั้งแต่ระดับจิตใจระดับพฤติกรรมแล้ว ผลมันก็เกิดขึ้นในจิตใจผลมันก็เกิดขึ้นในระดับพฤติกรรมแล้วนี่มันเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลข้ามาแล้วในตัวมันเองเรื่องพบหน้าเป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ฉะนั้นทำดีมันได้ดีแม้ขณะทำและในการต่อไปในขณะปัจจุบันถ้าพบหน้าไม่มีก็ไม่เสียหายถ้าพบหน้ามียิ่งได้ผลดีใหญ่เลยเห็นหม ฉะนั้นการทำดีให้เต็มที่ถึงตอนที่พบหน้ามีหรือไม่มีปัญญาเรายังไม่ถึงปัญญามันยังไม่พอมันไม่สามารถมาพิสูจน์ได้เพราะเรายังไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้เรียกว่าปัญญามองทะลุมองข้ามชดได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่ง มนุษย์สามารถพัฒนาตัวปัญญาองค์ความรู้เนี่ยสามารถมองอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันเห็นได้ทุกขั้นตอนเมื่อไรไม่เป็นต้องใครมาบอกเขาเห็นเองในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณยังไม่ต้องเชื่อก่อนแต่มีระบบเพ่งการฝึกระบบเพีงการฟังระบบเป็นงการคิดระบบเพีงการเข้าถึงเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาฝึกฝนจนสามารถ เห็นได้ยังไงมีระบบบอกหมดใช่ั้มถ้าวันใดวันหนึ่งพัฒนาไปถึงตัวองค์ความรู้ไปเห็นความจริงแล้วไม่ต้องเชื่อใครเราเห็นเองเห็นเองเลอพิสูจน์ได้เองเลยเหมือนเหมือนกรณีที่ว่าเวลาเราเระลึกถึงความดีแล้วปีติมันเกิดความสดชื่นมันเกิดความสุขมันเกิดแต่ก่อนไม่เคยได้แต่ตอนนี้หนูเข้าถึงได้หนูจะเข้าใจไดจ้จริงเฮ้ยจริงเว้ย มันสุกจริงๆมันสุขโดยไม่ต้องอิงไม่ต้องอิงอามิ t h ไม่ต้องอิงวัตถูกข้างนอกเลยมันสุขขึ้นมาได้จากการระลึกถึงสิ่งที่ดีๆแล้วมันปีติเกิดขึ้นมาได้มันเอิบอิ่มได้จริงๆมันปลาโมดมันปีติมันปัสสธิมันสุขสมาธิมันตั้งมั่นแล้วมันโอ้โหมันมันสุขมากแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าคนไม่เคยฝึกไม่รู้แต่ถ้าฝึกนี่เห็นไหมว่า ทุกขั้นตอนมันมีมันมีวิธีการที่จะสามารถเข้าถึงได้หมดเลยมองเห็นไง น, นี่เป็นไปแบบนี้ก่อนหน้านั้นอย่างยกตัวยอย่างเช่นแค่ความเชื่อเนี่ยคนไม่มีศรัทธาเป็นคนที่น่ากรุณาเพราะไม่มีที่พึ่งศรัทธาความเชื่อเนี่ย ในพุทธศาสนาที่เรียกว่าต้องฝึกให้เป็นตถาคตโพธิสัต tha กวางกันนี่ยสับว่างั้นแปลว่าอะไรเชื่อปัญญารู้ความจริงของพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้ปัญญาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสัพพัญญตยานหรือเรียกว่าปัญญาญานอันสูงสุดพพุทธเจ้าเนี่ยฝึก ปัญญายานันสูงสุดสามารถไปรู้ความจริงได้รู้จากปัญหารู้จากเหตุของปัญหารู้ความดับปัญหารู้ทางดําเนินเข้าไปสู่ความปลอดรอดพ้นปัญหาได้พระเจ้าได้ยานปัญญาเนียแทงตลอดความจริงตัวเนี้ยเราเนียพอทราบข่าวอย่างนี้เราก็เลยไปเชื่อเชื่ออะไรอ่ะเชื่อปัญญาเนี้ยว่ามนุษย์ท่านแรกมนุษย์คนแรกของโลก ที่สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถได้ปัญญาชนิดนี้แล้วได้ปัญญาไปรู้ความจริงได้เมื่อเราเอาเอาความเชื่อไปฝากไว้กับปัญญายาณของมนุษย์ท่านแรกหรือมนุษย์ต้นแบบคือพระพุทธเจา้ามนุษย์นี่มีเกิดกันมาทุกยุคทุกสมัยแต่ไม่มีใครทําปัญญานี้เกิดได้แต่พอพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ย ท่านฝึกตัวเอง่จากมนุษย์ธรรมดายจากเจ้าชายศิท ธ, ธาเนี่ยก็ฝึกปัญญายานมาเลื่ยืยืืตั้งแต่อดีตก็ฝึกมาแล้วนะแล้วก็มาฝึกต่อพ อ, อยุคยี่สิบเกออกบวชฝึกต่อยอีกหกปีแล้วจนสามารถได้ยานปัญญาที่เข้าไปรู้สัจจะรู้ความจริงทังตลอดความจริงและประกาศหลักการว่าพระองค์เนี่ยรู้ทางดาเนินชีวิต เข้าสู่ความดับทุกข์แล้วรู้ทางรอดของมนุษยชาติแล้วมนุษยชาติที่ติดตันไม่สามารถหาทางออกของชีวิตได้พราองค์รู้แล้วประกาศยืนยันเลยว่าตัดสรู้รู้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อเราเรารู้จริงๆถ้าท่านเชื่อคำว่าเชื่อนี้จงเชื่อปัญญาของเราเมื่อเชื่อปัญญาของท่านปุ๊บจงมาฟัง มาฟังเราจะบอกว่ามันมีขั้นตอนพัฒนาปัญญาอย่างไรระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามจนถึงปัญญาสูงสุดเมื่อพัฒนาปัญญาเขาถึงสูงสุดแล้วมันจะรู้ความจริงยังไงอันดับแรกเห็นไหมเราเอาความเชื่อมั่นของเราไปฝากไว้กับปัญญายานของท่านคือของบุคคลต้นแบบคือพระเจ้านั้นพอไปฝากไว้ปุ๊บเราก็ไปฟังท่าน ว่าท่านเข้าถึงได้อย่างไรปฏิบัติยังไงพัฒนายังไงท่านก็บอกเลยท่านก็บอกขั้นตอนที่หนึ่งระดับหนึ่งระดับสองฝึกยังไงมีความเชื่อมัน่นดําเนินชีวิตไปตามศีลอย่างไงสั่งสมข้อมูลยังไงสละกิเลสยังไงมีปัญญายังไงโอ้อยเนี่ยพอบอกความจริงอย่างนี้ปุ๊บเอาเราสิแต่เนี้ยเราก็ฝึกตามเลยพอฝึกตามขึ้นมาปุ๊บตามปัญญาญานที่ท่านบอกไว้ พอไปฝึกปุ اد, vas, ๊บเราทำตามปุ rus, sonra, yes, ๊บมันเห็นตามนั้นเลยมันเห็นตามนั้นล้วเข้าใจตามนั้นเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามระบบทุกระดับเลยจนสามารถเข้าถึงปัญญายาณเหมือนที่ท่านเข้าถึงได้อันนี้แปลว่าท่านรู้อย่างไรเรารู้อย่างนั้นท่านเห็นอย่างไรเราเห็นอย่างนั้นท่านได้สัมผัสอย่างไรเราได้สัมผัสอย่างนั้นจบเลยเนี่ยเข้าใไหม หนึ่งเชื่อมั่นปัญญายานของท่าน 2. เอาความเชื่อมั่นนั้นย้อนกลับมาเชื่อมั่นศักยภาพตัวเองที่จะฝึกตนเองเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อฝึกตนเองไปตามขั้นตอนเสร็จเสร็จปุ๊บเราสามารถพัฒนายานปัญญาให้เกิดขึ้นตามพระพุทธเจ้าได้จบกันเลยแต่เนี่ยแปลว่าเห็นไหมตัวความเชื่อมั่นมันไปอย่างรากลึกสู่ยานปัญญานั้นมันไปมันไปบริบูรณ์ตรงไหนบริบูรณ์ตรงที่ ปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงเหมือนที่พระพุทธเจ้าร e the exactly. ู้เมื่อไปเข้าใจความจริงอย่างนั้นก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้ารู้อย่างไรข้าพเจ้าก็รู้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเห็นอย่างไรข้าพเจ้าก็เห็นอย่างนั้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นแล้วว่าเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าจริงๆไม่ลังเลสงสัยเพราะได้สัมผัสได้เข้าถึงจริงๆเนี่ยความมั่นคงมันเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ไม่เชื่อตัวเอง มันไปต่อได้ไหมถ้ามีบุคคลคนหนึ่งระดับพุทธเจ้าเดินเข้าถึงความจริงพัฒนาจากมนุษย์ธรรมดาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้อย่างเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราเชื่อไหมว่าเราจะเป็นเราจะฝึกจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะตามพุทธเจ้าได้เชื่อไหมถ้าเชื่ออย่างนี้เขาเรียกมีตถาคตโพธิสัตว์เออเราเชื่อว่าเราจะฝึกกระแสชีวิตให้เข้าถึงความงามระดับศีลสมาธิปัญญาได้ แล้วจะฝึกตนเองจากปุถุชนคนที่มืดบอดก็ถึงความเป็นอริยะได้ถ้าอย่างนี้ก็คือพุทธธรรม ส, สังฆะก็เป็นหลักเป็นหลักของพวกเราเลยถ้าอย่างนี้ชัดแต่ถ้าว่าโอ้พระเจ้าสุดยอดแต่เราคงไปไม่ได้ น, นี่นี่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยอันนี้แปลว่าไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์แต่ถาคตก็เป็นมนุษย์ฉะนั้น ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงเป็นธรรมะที่มนุษย์สามารถฝึกเข้าถึงได้มนุษย์สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เดืยดร่อนแรงด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบัน่นและด้วยปัญญายาณของมนุษย์ที่ฝึกขึ้นมาได้จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างี้เออเราก็เลยได้กำลังใจหนึ่งก็คือว่าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมตัดสู้ความจริงว่าเออมนุษย์เนี่ยฝึกได้ จากมนุษย์ธรรมดาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้จากมนุษย์ธรรมดาเป็นปัจเจกพุทธะได้จากมนุษย์ธรรมดาเป็นสาวกพุทธะได้คือจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นพุทธะแปลว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อันนี้ก็คือว่าอะไรเนี่ยมนุษย์ฝึกได้เป็นกำลังใจไหมเนี่ยมันทำให้เราได้กำลังใจฉะนั้นการที่เราเห็นว่าเออมนุษย์เนี่ย พระเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์ฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้ต่อมาภาษา voke อ่ะไม่ว่าจะเป็นอัญญาโคนัญญาวปาพัทธิยะมหานามาสชีอนาถาปิณเนกาเศรษฐีราชกษั์เศรษฐีอะไรก็ได้อีกเยอะมากทั้งทั้งเยอะแยะมากคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านที่จากมนุษย์ธรรมดาฝึกเป็นพุทธะได้ยี่เป็นกําลังใจไหมล่ะเป็นกําลังใจ เห็นไมว่าฝึกได้เป็นกำลังใจส่วนเราต้องฝึกเนี่ยเป็นหน้าที่พวกเราตอนนี้มาอยู่ขั้นตอนว่าเอาแล้วเราได้กำลังใจแล้วมนุษย์ฝึกได้ตอนนี้หนูก็ต้องอะไรเฮ้เราต้องฝึกฝึกจากคนที่ไม่มีศรัทธามีศรัทธาได้ไหมได้ไหมจากไม่เชื่อมั่นฝึกให้เชื่อมั่นได้จากคนไม่เกล้ากล้าให้เกล้ากล้าอาถรรพ์ได้ไหม จากหลงลืมสติฝึกให้มีสติได้ไหมจากฟุ้งซ่านฝึกให้มีสมาธิได้ไหมจากไม่รู้ไม่เข้าใจฝึกให้มีปัญญารู้และเข้าใจได้ไหมเนี่ยเห็นไหมว่ามนุษย์เนี่ยฝึกได้ฝึกได้เนี่ยเป็นกําลังใจเราเห็นบุคคลตัวอย่างฝึกมาแล้วบุคคลต้นแบบมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นฝึกมาแล้วนั่นเป็นเป็นกําลังใจอต้องฝึกเนี่ยก็เลยกลายเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องทําใช่ไหมฉะนั้นอบอกว่า เป็นพระพุทธเจ้ากับคำว่าตอนนี้เป็นพุทธะที่แท้จริงตอนนี้เราเป็นพุทธะที่แท้จริงหรือยังอยัางแต่เราเป็นมนุษย์ไหมเป็น เ, เป็นมนุษย์เนี่ยสามารถฝึกตนเองให้เป็นพุทธะอย่างแท้จริงได้ไหมเห็นเป็นพุทธะนี่สำคัญไหมการฝึกที่จะเป็นพุทธะเนี่ยสำคัญไหมอะไรสำคัญกว่ากัน ระหว่างเป็นกับครับว่าทำเนี่ยอะไรสำคัญกว่าเออทำสำคัญกว่าเป็นนะเป็นพุท ธ, ธะจะ ต, ต้องฝึกก่อนการฝึกหรือหน้าที่เนี่ยสำคัญนะฝึกตัวเองเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นได้นี่ก็ต้องมาทำการเข้าใจว่าเป็นพุท ธ, ธะมันดีตรงไหนอันดีตรงไหนนุยเป็นผู้รู้แปลว่ารู้ความจริงของชีวิต เป็นผู้ตื่นแปลว่าตื่นจากความหลับไหลเดิมนางกิเลสเป็นผู้เบิกบานก็แปลว่ามีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างอิสระเสรีภาพอย่างแท้จริงรู้ตื่นเบิกบานใช่ไหมรู้ก็คือรู้ความจริงตอนนี้รู้ความจริงยังยังรู้นิดเดียวอง <I know. S 1> ใช่ถ้ารู้ความจริงมันก็คือรู้ยังไง ร, รู้ว่าทุกข์ควรรอบรู้ควรกาหนดรู้จริงไมควรกาหนดรู้ ความจริงของชีวิตเนี่ยต้องรู้สมูทัยเขตที่ทำให้ทุกเกิดนี่ควรละควรละควรประหาร น, นิโรธหรือนิพพานอันนี้ควรประจักแจง้งมักอันนี้ควรเจริญควรอบรมทุกวันนี้เราอยากจะพ้นทุกข์แต่เราดันเปกประกอบสมูทัยนี้ย อยากจะพ้นทุกข์แต่ไปทําความโลภให้เกิดไปทําความโกรธให้เกิดไปทําความมัวเมาลุ่มหลงให้เกิดหรืออยากจะพ้นทุกข์แต่เราไปกําหนัดยินดีเพื่อเพลินอยากจะพ้นทุกข์เราไปขัดเคืองอยากจะพ้นทุกข์เราไปหดหู่ท้อถอยอยากจะพ้นทุกข์เราไปฟุ้งซ่านลาคาญใจอยากจะพ้นทุกข์เราไปลังเลสงสัยเมื่อเราทําภาวะจิตอย่างนี้เกิดขึ้นแปลว่าเรากําลังประกอบสมุทัยสัจจะเพื่อให้ได้ซึ่งทุกขสัจ ก็ยุ่งอย่านเราดําเนินชีวิตผิดหรือถูกอผิดเราต้องมาดําเนินอะไรดําเนินมัค ก, ก็คือความเห็นที่ถูกต้องทําความดำหลี่ให้ถูกต้องทํากายวาจาใจหรืออาชีพให้ถูกต้องทําความเพียรให้ถูกต้องทําความระลึกได้ถูกต้องทำความตั้งมั่นอย่างจิตให้ถูกต้องถ้าเรามาดําเนินชีวิตตามนี้ไปก็ประกอบเขตที่เรียกว่ามาัค เพื่อดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงโยมต้องการถามเลยไหมมีธุระอะไรไหมอ๋อโอ้างั้นให้วิทยุเครื่องหนึง่งอ่านี่อย่าไปฟังนะอมาจากไหนรึบ้านอยู่สี่ิชันอ๋อสา ได้ได้วิทยุแล้วไปฟั ง, งได้ไม่เป็นไรยอมพ่อว่าไ ง, ฟ, ง, งฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องไหมฟังเข้าใจไหมเข้าใจเออเนี่ยเน้อยากถามเรื่องอะไรไหมตัวมม ฮะกเป๋ามีอะไมีมีเยอะเลยยังว่านนรกจริงนี่ตอนนี้เรา ชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่เราเมื่อทุกวันในสังเกตดูนะว่าตอนเนี้มันเป็นปัญหาอย่างก็กคือว่าถ้าเราสังเกตดูตัวเราเองและบุคคลอื่นเราก็จะเห็นว่าดําเนินชีวิตกันเนี่ยถามว่าองค์ความรู้ในด้านของกระบวนการความคิดกระบวนการความคิดของเรานเนี่ย ถ้าเป็นความรู้สึกนำจิตก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี่เขาเรียกว่าตัณหาภาษาเนี่ยพุทธิยาว่าตัณหาทุติโยปุริโสบุคคลมีตัณหาเป็นเพื่อนคาว่ามีตัณหาเป็นเพื่อนคืออะไรมีความอยากมีความต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่นี้ ไอความอยากความต้องการเราเนี้ยมันเป็นเพื่อนมันเกิดร่วมกับใจเราทีนี้พอมีตัณหาเป็นเพื่อนตัณหามันก็กระซิบตลอดอยากได้อยากเห็นสีที่สวยๆอยากฟังเสียงที่เพาะๆอยากดมกลิ่นที่หอมๆ อ, อยากริมรสที่อร่อยๆ อ, อ, อยากได้สัมผัสที่นิ่มๆอยากได้สภาพความรู้สึกทางใจที่มันันเทิงมันลื่นเลิง อันนี้แปลว่าอะไรมีตัณหาเป็นเพื่อนกระซิบคอยคอนโทรจิตใจเราตลอดให้เราล่านรนตัณหาก็ผลักดันให้เกิดความร่านรนปราถนาสุขเวทนามาตอบสนองอัตตาตัวตนซึ่งสำคัญว่ามันมีอยู่จริงทั้งๆ ท, ที่กระแสชีวิตเนี่ยมันคือสภาวธรรมที่เกิดดับสืบต่อตลอดเวลา ในส่วนของรูปธรรมกระแสชีวิตที่เป็นส่วนรูปธรรมกับกระแสชีวิตที่เป็นนามาธรรมมีสองส่วนไงเนี้ยรูปกับนามกายกับใจใช่ไหมทั้งสองส่วนเนี้ยแตกดับสืบต่อตลอดเวลาเลยความคิดเนี่ยเร็วมากเปลี่ยนเกิดดับสืบต่อรูปธรรมก็เหมือนกันเซลล์ในร่างกายเนี่ยเกิดดับสืบต่อตลอดแปลว่าถ้าเจาะลงไปจริงๆเนี่ย รูปธระทัทั้งหลายเหล่านี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยนในกระดูกไตวิ่งใจตับป่อไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่หันเก่ามันสมองกลุ่มรูปธรรมทั้งหมดเนี่านี้ที่มันเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อในนั้นมีดินน้ำใบลมเนี่ยมันก็คือเซลล์เล็กๆในร่างในกระแสของรูปธรรมเนี่ยมันสืบต่อตลอดเกิดดาบสืบต่อตลอดเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันมันไม่ใช่อันเดียวเลย ไม่หนูเรียนวิทยาศาสตร์มาใช่ั้ยมันเป็นแบบนี้ตลอดแต่เราไม่รู้ความจริงข้อนี้เลยนะนี่รูปประทับนะไปสำคัญว่ามันมีแก่นมันมีแกนอยู่ทั้งๆที่มันไม่มีเป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดดับสืบต่อเอาในส่วนของนามธรรมแหละความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยภาษาพหะเรียกวทนาความจำในสีเสียงกลิ่นรสปสทพหะจได้หมายรู้ทั้งหลายภาษาพาะเรียกว่าสัญญา การปรุงแต่งความรู้สึกทั้งที่ชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งศรัทธาไม่ศรัทธาทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เรียกว่าสังขารและธรรมความรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกเ่นกายใจเรียกวิญญาณใช่ไหมนามธรรมากับพ ป, ปทธธรรมเท่านั้นเองกระแสชีวิตนี้คือความจริงที่มันสืบต่อมันเป็นอย่างนี้แต่มันมีความต้องการอยู่ในนามธรรมานั้น ความต้องการตรงนี้ความร่านลนความทยานอยากทั้งหลายเหล่านี้ยที่มันปลุกเร้าในใจสัตว์ให้อยากแสวงหาสีที่สวยๆร่านลนไปหาสีที่สวยๆเสียงที่เพ้อเพ้อกลิ่นที่อมหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มๆหรือสภาพความรู้สึกทางใจที่คิดนึกอดีตอนาคตที่จินตนาการเพอร้อฝันกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้แหละเราถูกปลุกเร้าตรงนี้ขึ้นมาให้ตัณหาความทยานอยากเนี่ยมันทํางาน โอ้โหมันดิ้นใหญ่เลยมนุษย์นเนี่ยเพราะไอตัวความอยากนี่มันดิ้นรนมากเท่าไหร่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจมันดีมันทําใหญ่เลยเนี้ยมันสร้างใหญ่มันขวนขวาใหญ่เลยตัวเนี้ยมันก็ปลุกตัวเนี้ยกระตุ้นในภาวะความอยากเนี่ยให้มากถ้ามันก็บอกว่านี่ไงทันะ้งหนึ่งเราจะให้มนุษย์เกิดความต้องการให้มนุษย์เกิดความทยานอยาก เอาแล้วแต่นี้ปุกแล้าแต่นี้ขึ้นมาแต่นี้มันก็โอ้โหดิ้นกันใหญ่แข่งขันกันใหญ่เลยแต่นี้ยฟองเห็นงนี้อย่างโอ้โหมีตัณหาคอยกระซิบตัณหาก็คอยปุกแล้า ว, ว่าต้องให้ได้โอ้โหมันมันก็มีว่าอยากได้ทายานอยากให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็อยากให้มันมั่นคงให้มันถาวรแล้วก็อยากพ้น ไอ้ที่มันไม่ชอบใจก็อยากพ้นอยากหนีอยากให้มันอันตรธานไปอยากมันวิบัติไปใช่ไหมไอ้ความอยากสามอย่างนี้ก็เลยเป็นเพื่อนใจของมนุษย์ตอนนี้เราถูกความอยากนี่ครอบงมแล้วเราถูกความอยากนี่สิงเรียบร้อยแล้วเข้ามาสิงเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วตอนนี้เอามีวันไหนไหมที่ไม่อยากไม่ทยานอยากแบบนี้อยากไปหาสีที่สวยๆเราอยากให้รูปร่างของเราเนี่ยงาม ใช่ไหมเราก็พยายามทุกอย่างเลยนะอะไรที่มันจะทําให้งามเนี่ยทาทุกอย่างเหละแล้วก็อยากจะรักษาความงามความเด่นความแข็งแรงนี่ไว้ไม่อยากให้มันเสื่อมสลายไปทีนี้เอาอยู่ไหมไม่อยู่ตอนเนี้ยเริ่มไม่อยู่แล้วอยากจะพ้นเลยตัวเนี้ยอยากจะพ้นจากสภาพแบบเนี้ยในสภาพแก่เนี่ยใช่ไหะ โหก่อนหน้านั้นตอนเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยแค่ห้านาทีเราออกจากบ้านได้แล้วแต่ตอนนี้ต้องอยู่หน้ากระจกเป็นชั่วโมง ห, มหรือสองก็จะโหต้องต้องพยายามแล้วพยายามตลอดเลยใช่ไหมอุ้ยหาเป็นทำไมขนาดขอไปอุ้ยมันขนาดนี้เลยเว้ยเฮ้ยสองรอบแล้วเว้ยเฮ้ยแต่ก่อนแค่รอบเดียวมันดูดีตอนนี้สองรอบยังไม่ดีสามรอบสี่รอบโอ้โ ห, โหต้องดูแล้วดูอีก ให้เอาชุดนั้นมาใส่เอาชุดนี้มาใส่ต้องคิดวางแผนโอ้ก้าท่านิดหนึ่งทันขนาดนั้นรักษาเราอยากจะรักษามันไว้นะเข้านะเข้าเป็นไงผมเริ่มงอกหนังเริ่มเหี่ยวย่นตาเริ่มฝ้ามัวหูเริ่มตึงสรีระเริ่มโค้งงออวัยวะเริ่มทำงานวิปลิตผิดเพี้ยนนี่อยู่ไหมเอาไม่อยู่ เฮ้ยไม่อยู่จริงๆเราอยากจะพ้นจากสภาพแบบเนี้ยสะพมพ้นจากสภาพเป็นความแก่เนี้ยไอ้ความเจ็บเนี้ยความไม่สบายกายไม่เราอยากจะพ้นอยากจะหนีอยากให้มันอันตรธานไปมันก็เลยมีเห็นไหมเรามีตัณหาเป็นเพื่อนตัวหนึ่งอยากได้ทยานอยากให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสองอยากให้มันมั่นคงสามอยากจะพ้นจากสภาพที่ไม่น่าพึงปรานา เนี่ยไอ้ความอยากเ่านี้มาเป็นเพื่อนคอยกระซิบใจเราตลอดเวลาและเราก็ถูกไอ้ความอยากเ่าเนี่ยคอนโทรกำกับควบคุมเข้าสิงเนี่ยมนุษย์มีตัณหาตัวเนี้เป็นเพื่อนทีนี้พอมีความอยากขึ้นมามันมันมันก็เข้าไปยึดแล้วก็เข้าไปกระทำทางความคิดเริ่มคิดนี่ะกระทำแล้วแล้วก็พูดออกมาทำออกมา นี่มันผักความคิดผักพฤติกรรมผักการกระทําออกมานี่ตัณหาแล้วก็ยึดมั่นแล้วก็กระทํากรรมออกมาแล้วก็มีความไม่รู้เรื่องเลยแต่เนี้ยมีความไม่รู้ปิดกั้นอยู่มันก็ทําเลยทําตามความรู้สึกของตัณหาที่บงการมาเอาละมันอยากจะงามทํำยังไง ตกแต่งยังไงทํายังไงโอ้ใบใหญ่เลยแต่เนี้ยมันอยากจะได้เงินทํำยังไงมันอยากจะได้บ้านทํำยังไงอยากจะได้รถทํำยังไงอยากจะได้ทรัพย์ทำยังไงอยากจะได้สามีอยากจะได้ภรรยาอยากจะได้ลูกโวมันดิ้นใหญ่แต่เนี้ยมันดิ้นใหญ่วงการใหญ่ผักดานใหญ่โวมนุษย์ดิน้นดินปวดปวดเลยทีนี้พราะมีใครเป็นเพื่อนมีตันหาเป็นเพื่อนและเราครบมันมาตลอด น, นเมื่อมีตัณหาเป็นเพื่อนตัณหามันก็พาเรามั่วหมดเลยตนนี้ทำเงินใช่ไหมหน้าเข้าหน้าเข้าก็แก่ง่อมแล้วก็ตายไปไอ้ ก, กรรมที่ทำก็นำเกิดใหม่ก็มีตัณหาคอนโทรกลับกรรมกลับไปใหม่ก็ดิ้นก็ไปหาทุก ดิ้นก็ไปหาชาติคือความเกิดชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะคือความตายดิ้นไปหาความโศกความล่ําไหลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้มใจดิ้นไปหาความทุกข์ดิ้นไปหาปัญหามันผลักเข้าไปหามันสร้างปัญหาสร้างความทุกข์มันสร้างเป็นโรงงานเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนของทุกข์เนี่ยทําให้เราได้มาเนี่ยคือผลงานของตันหาผลงานของได้ที่ปรึกษาคือตันหาหยาเข้าใจยัง เนี่ยเราได้ที่ปรึกษาคือตัณหาเราก็ได้อะไรมาฝรุงพรังกันเติมไปหมดเ น, นี่นี่เียมาแล้วตอนนี้ทีนี้พระเจ้าบอกว่าที่เดินทางผิดถ้ามีตัณหาเป็นเพื่อนตัณหาพาประกอบสมุทยาสาจาัจเพื่อให้ได้ทุกขสร้างเหตุของทุก์แน่นอนเป็นโรงงานเนะตัณหาในเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนทุกเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากลมใหญ่ เป็นเจ้ากรมใหญ่ที่สร้างทุกข์สร้างปัญหามากมายเหลือเกินถ้าจะหยุดติทํำยังไงจะเปลี่ยนเส้นทางไหมหรือไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้บริการตันหาให้ตันหาเป็นเพื่อนต่อไปถ้าจะเปลี่ยนเส้นทางจะดําเนินแนวทางอีกแนวทางหนึ่งทําอย่างไรกล้าวางตันหากล้าสละทิ้งตันหาไหมหาเพื่อนใหม่ หาเพื่อนใหม่หาใครเอาศรัท ธ, ธามาเป็นเพื่อนใช่ไหมแทนที่จะเอาตัณหาเอาศรัท ธ, ธาคือความเชื่อมัน่นพอไปดึงเอาศรัท ธ, ธามาไว้ในใจปบขจัดตัณหาคือความทยานอยากออกไปเอาความเชื่อมั่นกลับมานี่ศรัท ธ, ธามันจะพาเราไปไหนศรัท ธ, ธาเนี่ยจะพาเราวิ่งหาปัญญาทีนี้ พอเกิดศรัทธาปุบ๊บศรัทธามากำกับแล้วบุุษมีศรัทธาเป็นเพื่อนสลัดทิ้งตัณหาเอาไปเอาความเชื่อมั่นเอาศรัทธาศรัทธามีสองลักษณะหนึ่งลักษณะความผ่องใสถ้ามีศรัทธาปุ๊บสภาพใจจะผ่องใสเขาเรียกว่าปัสสาทะศรัทธาเนี่ยใจจะผ่องใสจิตจะผ่องใสเหมือนแก้วมณีถ้ามีแก้วมณีเนี่ย น้ำที่ขุนเอาแก้วมันีจุ่มลงไปในน้ำไอ้แก้วมันีมันจะกระจัดไอ้ฝุ่นละอองไปหมดเลยน้ำจะใสแจ๋วเลยเหมือนสารส้มอะฉะนั้นเวลาเอาเอาวัตถุใดๆก็แล้วแต่ไปใส่ในน้ำให้น้ำน้ำมันขุนแล้วน้ำมันใสนี่เหมือนกันถ้าใครเอาศรัทธาคือความเชื่อมั่นไว้ในใจปุ๊บใจที่มันขุ่นมัวด้วยกิเลส เช่นความกำหนัดยินดีมันทําให้จิตขุนมัวความเครียดความโกรธมันทําให้จิตขุนมัวความหดหู่ท้อถอยทําให้จิตขุนมัวความลังเลสงสัยทําให้จิตขุนมัวความฟุ้งซ่านลาคาญใจทําให้จิตขุนมัวพอศรัทธาเข้าไปเกิดในจิตปุ๊บมันจะขจัดขจัดความกําหนัดขัดเครืองความหดหู่ความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยให้อันตรธานไปใจมันก็จะผ่องใสสะอาดขึ้นมา ใจเกิดความเชื่อมั่นผ่องใสใจสะอาดใจตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวจิตมีความสุขเอาแล้วจิตใจเป็นอย่างนั้นแล้วพอมันเกิดใสสะอาดมีความสุขขึ้นมาเป็นเสร็จพบนี่ลักษณะประการที่หนึ่งเขาเรียกว่าปสาาัสสถทะเกิดทีนี้ยังมีคำว่าโอกรรมประนาสถาก็คือแล่นไปพอมันเกิดความใสแล้ว น, นะเขาจะแล่นแล่นออกจากอะไรเนี่ยแล่นออกจาก ตัญหาตันหามันเป็นเหมือนห่วงน้ำที่มันมันทายหมูสัตว์เนี่ยจมอยู่ท่วมทับหมูสัตว์อยู่ให้จมอยู่ในทะเลลึกแต่พอมีศรัทธาขึ้นมาปุ๊บมันออกแล้วไม่เอาแล้วมันจะต้องข้ามมันจะต้องข้ามไอแม่น้ำนี้ให้ด้ฝั่งนี้ไม่ไม่ปลอดภัยมันจะข้ามไปฝั่งที่ปลอดภัยเนี่ยมันธรรมชาติที่แล่นไปหรือว่ามันดิ่งลง คนถ้ามีศรัทธาตรงนี้ขึ้นมา <c oughs> มันเหมือนบุรุษกล้าคนหนึ่งบุรุษที่มีความกล้าเนี่ยมันมีคนอยู่บนอยู่บนตลิง่งมันมีภัยที่มันตามมาข้างหลังแต่มันไม่กล้าข้ามเพราะในในน้ำมันมีสัตว์ร้ายอยู่มันก็พากันกลัวเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละแต่พอศรัทธาเนี่ยมันเหมือนกับบุรุษกล้า มันเห็นคนกําลังลังเลสงสัยอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บเพราะความเชื่อมั่นมามันมันถือดาบนําเลยท่านทั้งหลายตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะพาไปข้ามฝั่งและปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เดินลุยหน้าก็เอาอาวุธเนี่ยอขับไล่ไอสัตว์ร้ายที่มันวิ่งไปวิ่งมาอยู่หมู่คนทั้งหลายที่โยนฝั่งเห็นอย่างนั้นก็พากันตามครูไปเลย เพื่อจะข้ามจากฝั่งนี้ขึ้นถึงฝั่งที่ปลอดภัยแม้ฉันใดคนที่ลังเลสงสัยคนที่ไม่กล้าจิตที่ไม่จิตที่ลังเลสงสัยจิตที่ไม่กล้าจิตที่หลงลืมจิตที่อ่อนแอจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นคือสภาพจิตที่เหมือนคนกําลังตะไม่มีทางไปไม่กล้าไม่กล้าข้ามฝั่งทั้งทั้งที่ภัยมันก็มาแต่ถ้ามีศรัทธาเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะบอกเลยทันจิตประเภทเนี้ยมันจะพาจิตเนี่ย ออกออกจากตัณหามันจะไม่อยู่กับตัณหาตัณหาเหมือนสัตว์ร้ายแต่ก่อนเราครบมันมันก็จะพาวิ่งแล่นไปเพื่อข้ามฝั่งให้ได้งี้เป็นต้นบองเห็นใช่ไหมฉะนั้นเวลาเกิดศรัทธาแล้วมันจะมันจะเข้าไปใกล้สัตว์บรุษหรือผู้รู้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วมันจะนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วจะเงี่ยโสดลงเพื่อจะฟังเงี่ยหูลงที่จะฟัง มันจะไม่ใส่ใจเรื่องอื่นมันจะมะาเทศการเรื่องการฟังสาคัญที่สุดเพราะการฟังให้เกิดความเข้าใจเนี่ยันเป็นอันดับต้นๆมันเป็นอันดับแรกในการพ้นทุกข์พอฟังแล้วเนี่ยธรรมะทั้งหลายเรื่องราวทั้งหลายมันจะทนหมายความว่ามันจะสามารถมี ส, มสติระลึกขึ้นมาแล้วก็เพ่งไปในความจริงแล้วมันจะเริ่มจับประเด็นได้ พอเริ่มจับประเด็นได้ก็มานัติการและใส่ใจในเรื่องนั้นพอใส่ใจในเรื่องนั้นมันจะเห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นมาเมื่อเห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นมาแล้วจะเข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยมันจะแทงตลอดความจริงนะั้นเมื่อแทงตลอดความจริงนั้นแล้วมันก็เกิดว่าเกิดแก้วกล้าอาถรรพ์เกิดเห็นความจริงขึ้นมามันก็จะออกจากกิเลสที่กุ้มรุมใจสัตว์ทั้งหลายได้มองเห็นไหมว่าแทนต่อไปสิ่งที่เราควรครบหาสมาคมด้วยคือศรัทธา แทนที่เราจะครบตันหาถ้าเรามีศรัทธาเป็นเพื่อนสองเมื่อไหร่ศรัทธาจะพาเราวิ่งเข้าไปหาพระธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไปหาผู้รู้ไปหาสิ่งที่ดีงามมันจะไม่วิ่งไปในสังสารวัฏจะไม่เจ็บปวดในสังสารวัฏที่ผ่านมาเราขาดตัวนี้ความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นเรามั น, มนไม่ไม่สามารถที่จะโฟกัสหรือไป หรือเข้าไปหาบุคคลที่จะสามารถให้ข้อมูลเราได้อย่างแท้จฉะนั้นถึงบอกว่าบุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อนก็วิ่งวนไปในสังสารวัฏถ้ามีศรัทธาอยู่ในกระแสชีวิตพระพุทธเจ้าเเวลาจะโปรดจะโปรดคนที่มีศรัทธาก่อนทำไมชีวิตเราจึงหลุดลอยพระพุทธเจ้าจึงไม่มาโปรด พระเราไม่มีศรัทธามาก่อนในอดีตเรามีตัณหาเป็นเพื่อนสองมันก็มืดที่กระแสชีวิตของสัตว์นั้นก็มืดมืดไม่มีแสงสว่างพอไม่มีแสงสว่างสพันยุตยานอุบัติเกิดขึ้นมามองมาที่กระแสชีวิตเราไม่เห็นแสงสว่างคือศรัทธาในใจเรา ก็ละเลยสพญุต ย, ยานพุทธเจ้าก็ละเลยกระแสชีวิตของพวกเราก็ไปไปหาคนที่มีศรัทธาท่านพระอัญญาโกนธัญญาวะปะัปปาพัทธิยะมหานามะอัศชิยัสสากุลบุตรสุภาหุปุญชีขวัมปติสหาอีก54หรือพัทธวคี30ชดินหนึ่งันเี่ยเยอะแยะหมดเลยทำไมสัพยุตยานวิ่งไปที่กระแสชีวิตเหล่านั้นหมดเพราะเขามีศรัทธา อยู่ในกระแสชีวิตสว่างในท่ามกลางท่ามกลางอากาศไอ้บรรยากาศที่มืดมิดแต่แสงสว่างปี๊บไปหมดพระเจ้าเหมือนกับบุรุษที่อยู่บนภูเขามองมาเห็นแสงสว่างแว๊บแว๊พระองค์ก็ไปตามนั้นไปตามไปโปรดหมู่สัตว์ที่มีศรัทธาแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้จุดศรัทธาเขาไว้ไม่ได้ติดประกายศรัทธาในพระรัตนตรัยเขาไว้มืดพระเจ้าก็ละเลย ถ้าขืนเราไม่รีบจุดศรัทธาในวันนี้ต่อไปสัพพัญญตยานกละเลยพวกเราเราก็เป็นสัตว์ที่จมอยู่ในสังสารวาัตอีมองเห็นไหมล่เนี่ยเพราะเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราดันไปมีตัณหามันมืดมันมีโมหะปิดอยู่มันมืด สัตว์บูรุษทั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายมองมาที่กระแสชีวิตของเราแล้วมันไม่มีมันไม่มีพุทธะอยู่ในนั้นเลยไม่มีองค์แห่งความตรัสรู้ในนั้นเลยมันเสียเวลาถ้ามาคุยกับคนที่ไม่มีศรัทธาคนที่ยังมีศรัทธาเต็มไปหมดท่านต้องรีบไปโปรดใครก่อนไปโปรดคนที่มีแสงสว่างหรือศรัทธาก่อนฉะนั้นเราต้องจุดเหลืองแสงในกระแ ส, ช, ส, ะแสชีวิตเราให้ได้จุดศรัทธาในกระแสชีวิตเราให้ได้ ถ้าจุดไม่ได้เราก็เป็นสัตว์ที่บอดมืดมิดแล้วก็พระปัญญายานกุศลเจ้าก็าละเลยมองเห็นนี่ยังพระองค์มองมาจริงโอ้ต้องเหนื่อยเยอะใช่ไหมบอกก็ไม่รู้เรื่องแนะนำก็ไม่มีศรัทธาบอกแล้วบอกอีกไม่รู้เรื่องเสียเวลาแล้วพระองค์มีเวลาจำกัดไหม จำกัดมากคนที่คอยอยู่มีเยอะไหมคนที่เขาบําเพ็ญบา ร, รมีมาก็ต้องคอยเขาต้องการมีอยู่เพื่ออื่นเราไม่ได้จุดตัวนี้ไว้ฉะนั้นต่อไปอย่าทําแบบเนี้ยอย่าทําอย่างนี้อีกเข้าใจไหมล่ะตอนนี้มีอย่างศรัทธาตอนนี้มีหรือยังได้จุดไว้อย่างทําศรัทธาทําแสงสว่างให้เกิดขึ้นหรือยังรีบทำเสียเพราะเราไม่ทําตัวนี้ก็ไว้นี่แหละเสียหายเลยตอนนี้ ท่านี้นนสัตว์บุรุษ ท, ทั้งหลายก็มองก็กระเดือร่เลยเราหมดแล้วลใครก็อยากสอนใช่ไหมล่ะไม่สนใจคนก็ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปเจอปัญหาชีวิตไปสิเงินไม่ใช่คําตอบของชีวิตมันเป็นเพียง อ, อุปกรณ์ที่จะอํานวยความสะดวกเล็กๆ น, น้อยๆเท่านั้นเองทรัพย์ก็เป็นอุปกรณ์อํานวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ถามว่าทรัพย์อํานาจยศบริวาร มันกันมรณะภัยได้ที่ไหนไม่ได้เลยไม่ได้หรอกยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตายเจ็บปวดในสังสารวัฏหมดเลยนี่ไงพอเราแยกไม่ออกว่าอะไรมันสําคัญที่สุดในชีวิตศรัทธามันสําคัญกว่าทรัพย์ศรัทธาสําคัญกว่ายากศรัทธาสําคัญกว่าอวัยวะศรัทธาสําคัญกว่าชีวิตศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามันสําคัญกว่าทรัพย์ กว่าญาติกว่าวัยวะกว่าชีวิตใช่ไหมเราไม่สร้างศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาไว้ในตนก็แปลวเป็นมนุษย์ที่ไม่มีแสงในตัวไม่มีพลังววไม่มีพลังในตัวเป็นมนุษย์ที่จะให้พระเจ้าหรือคู่รู้มาโปรดยังไงจะโปรดยังไง ม, มันมืดหมดแล้ว มันมืดหมดแล้วแสงสว่างในตัวไม่มีแล้วแปลกไหมว่าทำไมเราเป็นสัตว์ที่ถูกปล่อยผ่าล้วเลยแปลกไม่แปลกแปลกหรือไม่แปลกไม่แปลกเพราะเราครบตัณหาเพราะเราครบตัณหาเป็นเพื่อนตัณหามันก็ทำให้กระแสชีวิตของเรามืดบอดเพราะตัณหามันไม่ได้มาคนเดียวมันมากับโมหะคือความไม่รู้คือความมืดบอดโมหะเป้าบอดมืด มันมากับอุปาทานคือความยึดมั่นหรือมั่นมันมากับ ก, บการทํากรรมที่ผิดพลาดมันมากับสังขารคือการปรุงแต่งที่ผิดบิดบิดเบีบ้ยวมันไม่ตรงทางฉะนั้นปัญหาตัวเดียวมันมามันไม่ได้มาตัวเดียวนะมันดึงพวกมันมาด้วยมากุ้มรุมจิตเราด้วยเราก็กลายเป็นมนุษย์ที่บอดเลยแบเนี้ยบอดสนิทเลยนะมืดตื่อเลยแล้วถามว่า ไม่มีเรืองแสงของอินทรีย์ห้าไม่มีเรืองแสงของศรัท ธ, ธาเป็นต้นเลยฉะนั้นต่อไปอย่าทําแบบนี้ให้ทําทอย่างนี้เสียหายไหมเสียหายเลยมานั่งลําบากปรับทุกข์กันอยู่นี่ว่าเออแลังเลสงสัยเลยไปสงสัยทีนี้ประเด็นต่อมาคือว่าย้อนกลับเดีย๋ยวนี้ชื่ออะไรเนะี่ยทากุโรทารกทาุโรก็ถามว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไหมเนี่ยทากุโรเนี่ย อุปมาเหมือนคนป่วยหรือนคนโดนอาวุธคืออย่างนี้ความแก่ความเจ็บชร า, าเนี่ยคือความแก่ความเจ็บไข้เนี่ยตอนเนี้ยมันบีบคั้นกระแสชีวิตมันบีบเข้าไปหาบารณะคือความตายทีนี้ สกสแสชีวิตของทุกคนเนี่ยไอความทะยานอยากเนี่ยมันเหมือนกับห อ, อกเหมือนกับมีดดาบมันปัก อ, อกอยู่ความอยากความโลภความโกรธมันปักอยู่จึงเหมือนกับคนป่วยพวกเราเนี่ยปู้โดยชนเหมือนเหมือนคนถูกมีดถูกห อ, อกแทงเข้าไปแล้วเอาออกไม่ได้ทีนี้มันวิ่งวิ่งวิ่งไปเนี่ยไปเจอหมอ บอกหมอโด น, โดนแทงประมาณนะว่าเอาอโดนแทงมาเนี่ยบอกว่าหมอก็บอกเดี๋ยวจะรักษาให้บอกไม่ยอมต้องบอกก่อนว่าใครเป็นคนยิงลูกศรมาเนี่ยเสียบอกเนี่ยและลูกศรมันมาจากทิศไหนลูกศรมันทำจากอะไรบอกกันเถอะแล้วมันยิงเพราะอะไรถ้ายังไม่ได้คำตอบอย่างนี้จะไม่ยอมผ่าตัดเอาลูกศรออก ถามว่าไอ้บรุษนี้ต้องตายเปล่าไหมเนี่ยตายไม่ตา ย, ตายเพราะอะไรเพราะว่าเขาหมดจะไปถามหาใครนะเออนี่เงินเหมือนที่เขาจะรักให้หมอรักษาใช่นี่พวกเราเนี่ยถูกกิเลสคือราคาโทรศัโมหานี่เสียบแทงแล้วมันเหมือนไฟกำลังไหม้ศีษะอยู่มันต้องรีบดับไฟก่อนไม่ใช่มัวไปถามว่าชาติหน้าชาติหลังชาติก่อน มันไม่รู้ปัญหานอกตัวไปหมดแล้วแต่ปัญหาในตัวตอนนี้เรากําลังโดนลูกศรคือราคาโทรศัพท์มห้าเสียบแพงอยู่ฉนันสิ่งที่ควรแก้ก่อนคือถอนลูกศร อ, ออกพาตัดรักษาให้ทันก่อนเมื่อสบายแล้วค่อยไปดูที่หลังค่อยไปรู้ที่หลังอยากจะรู้เรื่องอะไร ถ้เอาสิ่งเหล่านี้ออกแล้วเนี่ยต่อไปอยากจะไปรู้พบนี้พบหน้าจะไปรู้ชาตินี้ชาติหน้าจะไปรู้อดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวปร ะ, ะเน็ค่อยไปว่ากันอีกทีแต่ตอนเนี้มันอยู่ภาวะฉุกเฉินหมอไม่มีหน้าที่หมอไม่ใช่ตํารวจพุทธเจ้าเป็นหมอ ต้องการมาแก้ปัญหาชีวิตให้กษัตริย์โลกที่มันกําลังเจ็บปวดเพราะถูกราคาโทสามโมหะเสียบเหมือนลูกศรเสียบแทงอยู่เนี่ยที่มันดิ้นรนกระเสือกกระสนกันจะบ้ากันตายอยู่แล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเข้าใจยังว่าไงงูเป็นงั้นจริงไหมใช่ไหมแล้วนี่ไปถามบอกว่าไม่ยอมหรอกอย่างเช่นไปทะเลาะใช่ไหมกับพ่อแม่ปู่ตายย่ายายมา ถ้ายังเคลียเรื่องนี้ไม่ได้จะไม่ยอมฟังทำให้รู้เรื่องเพื่อจะถอดราคาโทสะโมหะอันนี้แปลว่าเหมือนกันให้พระเจ้าเป็นหมอต้องการแก้ปัญหาให้เราจากการพาตัดเอาลูกศร อ, ออกเอาราคาออกโทสะโมหะออกให้เร็วที่สุดเพื่อต้องต้องการความสวัสดีความปลอดภัยให้กมุมว์ พวกเราไปหาผิดคนแล้วถ้าอย่างนั้นถ้ายังต้องการจับลูกศรวิ่งไปไปหาใครอย่างนั้นต้องไปหาบรรดาเจ้าระที่อื่นๆเจ้าระที่อื่นๆที่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่รู้เรื่องสรุปแล้วตรงนี้พอจับประเด็นได้ไั้ยปัญหาที่เราควรถามคือที่ตอนนี้เราประเด็นคือที่เราควรสงสัยคืออะไรทำอย่างไรใช่ไหม ทำอย่างไรเราจึงจะเอาความมืดบอดเนี่ยความไม่รู้เนี่ยออกจากกระแสะชีวิตให้ได้เอาความเอาตัณหาความทยานอยากออกจากกระแสะชีวิตไนดะ้ต่อนนี้ประเด็นก็เลยมาอยู่ว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรที่ไม่มาเลยตรง น, นี้จะดําเนินชีวิตอย่างไรที่ให้ปลอดโปร่งโล่งเบาดําเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยข้อมูลด้วยความรู้ที่ถูกต้องไอ้นี่สาคัญที่สุดสําคัญไหม อธิ่านมาเราดำเนินชีวิตแบบไหนเอาแค่พื้นฐานก่อนนะอย่างไรยมอาเชิญอยากรู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงครับปัาสมาธิอ๋อยอมอยากรู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงาสมาธิอะไรเลย อ๋อข้างหลังนี่เข้าด้านออกด้านหลังเชื่อยอมอะไรนะยอมอำนาจยอมอำนาจอ๋อยอมอำนาจถามเรื่องสมาธิครับอืมสมาธิมีสามระดับหนึ่งขณิกะสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิชั่วขณะ เล็กน้อยหรือบางแห่งเรียกว่ามู ล, ลสมาธิเป็นสมาธิต้นเขาเป็นสมาธิเบื้องต้นเป็นสมาธิที่เริ่มแรกแห่งการแห่งการกระทำสองอุปจารสมาธิอันนี้เป็นสมาธิที่ใกล้ที่จะแนบแน่นอุปจาระแปลว่าใกล้บ้านอุปจาระไไบ้านแปลว่าใกล้บ้านอุปจาระสมาธิแปลใกล้ต่อการที่จะเป็นสมาธิระดับสูง ระดับสูงสุดหรือระดับอัปปนาระดับแนบแน่น mm hmm. ก็เรียกอุปจาระประการที่สมก็เรียกอัปปนาสมาธิสมาธิขั้นระดับฌานเขาเรียกว่านแนบแน่นสามารถตั้งมั่นไม่หวันไหวนะมนี่มนวรธรรมได้คือการมาฉันทาปยาบาทเป็นต้นทีนี้สมาธิทั้งสามระดับมันต่างกันยังไงมันต่างกันเนี่ยถ้าดูจากพุทธพจน์ที่บอกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่าจิตของเราจากตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในธรรมภายในบาปอคติรกรามันชั่วร้ายจากไม่ไหลเข้าสู่จิตของเธอตั้งอยู่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเพียรพยายามฝึกฝ น, พ, นพัฒนาอย่างนี้เนี่ยขั้นตอนแรกอย่างเี้ยเขาเรียกขั้นตอนของคณิกาสมาธิในขณะที่เรากาลังตั้งใจในการที่จะฝึก จิตของตนเองให้เกิดความตั้งมัน่นแล้วก็กำลังได้ได้ความสงบบ้างนะตั้งมั่นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เรามีความจงใจและตั้งใจที่จะฝึกจิตของตนเองให้เกิดความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในธรรมภายน้น <c oughs> บาปอกุศลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายจะได้ไม่ไหลเข้าสู่ใจของเธอเพราะงั้นเธอปกติเนี่ย ราคาโทราโมหะหรือการปชันท่ายาบาดทีนมิท่อุทธิจักกุกุจักวิจิกิจฉาเนี่ยตรงนี้ความกำหนัดความขัดเคืองความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านลำคาญใจความลังเลสงสัยเนี่ยมันกุ้มรมจิตอยู่ฉะนั้นการขจัดที่ตั้งใจจะขจัดไอ้ห้าอย่างเนี้ออกจากจิตเมื่อเราตั้งใจแล้วแล้วเราเล่ากำลังตั้งใจกําลังเพียรพยายามกำลังมีสติจดจ่ออยู่แล้วก็บาปเหล่าเนี้ย จะขจัดบาปเหล่านี้บาปเหล่านี้กบลังถูกขจัดออกจิตก็เริ่มตั้งมั่นระดับแรกระดับต้นเขาเนี่ยระดับมูลฐานระดับครั้งแรกกำลังจิตเช่นดูลมเข้าออกก็เริ่มก็เริ่มรู้สึกตัวหายใจเขา้ารู้สึกตัวหายใจออกมันเริ่มมันเริ่มได้ขนาดไอเบื้องต้นที่ได้ความตั้งมั่นอย่างนี้อันนี้เ็าเรียกว่าคั้นที่กะสมาธิมาสมาธิชั่วขณะหรือเล็กน้อยมองเห็นยังถ้า จิตถ้าจิตของเธอนะตั้งมั่นในธรรมภายในบาปอักสศและธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายคือกามาขันท้าเป็นต้นเหล่านี้ยไม่ไหลเข้าสู่จิตของเธอแล้วก็จิตตั้งมั่นอยู่ได้สามารถข จ, จัดนิวรธรรมได้เบื้องแรก การที่จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตเกิดความเ อ, อิบอิ่มพ่องใสตั้งมั่นในเบื้องในระดับที่สองแล้วสามารถขจัดนิวรธรรมออกได้ระดับหนึ่งลักษณะนี้แล้วก็เกิดความตั้งมั่นได้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิใช่ไหม เช่นระลึกพุทธคุณแล้วจิตปราโมทปีติปัสสติสุขสมาธิตั้งมั่นในขณะระลึกอยู่เีอยอันนี้แปลอุเป็นอุปจาระนิวรธรรมไม่กุ้มลมจิตแล้วมีระดับที่สองถ้าระดับสูงไปกว่า น, นั้นเช่นไปเดินอานาปนสาาติดูลมหายใจเข้าออกจนสามารถมีนิมิตรปรากฏแล้วจิตก็ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวในธรรมภายใน ในการตั้งมั่นจนนิวรธรรมหลุดจากใจเลยความกำหนัดความขัดเคืองความหดหู่ท้อถอยความรังเลสงสัยความฟุง้งซ่านลำคาใจหลุดออกจากจิตจิตก็เข้าถึงความเป็นสมาหิตะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตใสสะอาดมองเห็นอะไรได้ชัดแล้วก็จะตั้งมั่นได้ตามที่กำหนด จะตั้งมั่นเท่าไหร่ก็สามารถตั้งมั่นได้จิตไม่วอกแวกไม่วันไหวไม่มีอะไรมาลบกวนไม่มีเหมือนน้ำสงบใสเย็ยนนิ่งไม่มีลมพัดต้องวัตั้งมั่นไหมตั้งมั่นใสสะอาดด้วยมองเห็นอะไรได้ชัดสามารถจะกำหนดว่าจะตั้งมั่นเท่าไหร่ก็สามารถอยู่ได้ตามที่ต้องการอย่างนี้ก็เรียกเป็นอปปนาสมาธินิวรไม่กุ้มลุม ก็เข้าถึงภาวะที่เป็นปฐมฌานเป็นต้นเหล่านี้มีวิตกวิจารปิติสุกเอกขตารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ตั้งมั่นในอารมณ์ตามที่ตนเองต้องการนั้นได้กรณีอย่างนี้ก็เรียกเป็นปฐมฌานางนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกอปนาสมาธิแปลว่าจิตตอนนั้นเน่จิตสะอาดไหมสะอาดเหมือนอะไรก็อุบมาอย่างนี้ทองเนี่ยนะคาว่าทองเนี่ยนะ เวลาเขาจะไปสกัดทองเขาเห็นไหมไอตัวทองคำเนี่ยมันจะมีดีบุกตะกัวใช่ไหมมีเหล็กมีดีบุกมีตะกัวมีเงินมีทองแดงแล้วก็มีเหล็กเห็นมีมีดีบุกมีตะกัวมีเงินมีทองแดงพวกเนี้ยนะแล้วก็ ไอสิ่งทั้งห้าสิ่งเหล่านี้มันผสมอยู่กับทองทองก็ไม่สุกปลั่งซองก็ทองนั้นก็ไม่สามารถเอาไปทำเครื่องประดับเป็นต้นได้วิธีการเขาต้องสกัดเลยเขาต้องสกัดไอเหล็กออกดีบุกออกตะกัวออกทองแดงออกเอาเงินออกใช่มเมื่อสกัดสิ่งเหล่านี้ออกปุ๊บให้เหลือแต่ทองล้วน การที่เหลือแต่ทองล้วนๆเนี่ยเมื่อได้ทองนั้นมาแล้วจึงเอาทองมาทำเครื่องประดับเอามาทำแหวนเอามาทำนาฬิกาเอามาทำสร้อยมาทำสวนณมาลาทั้งหลายเป็นเครื่องประดับเพชรนินจ mm ินดาได้ใช่ไหมเพราะสะกัดสิ่งที่มันเปี่ลอมรวมอยู่กับทองมันถึงจะใช้ประโยชน์ได้แม้ชั้นใดจิตของพวกเราเนี่ยเป็นจิตที่ไม่สะอาดมันมีความกาหนัดความขัดเคือง ความหดหู่ท้อถอยความฟาาุ้งซ่านลาคาญใจลังเลสงสัยมันมีไอ้หสิ่งเนี่ยมันรวมอยู่จิตมันจึงไม่ผ่องใสจิตจึงไม่สะอาดจิตจึงไม่ครีนไม่สะอาดทีนี้การที่เราดูลมหายใจเข้าออกมีสติกำหนดตั้งมั่ น, นแปลว่าเรากำลังสกัดอะไรสกัดไอ้ความกำหนัดออกสนิมของจิตเนี่ยกำจัดความขัดเคืองความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านลาคาญใจ ความหดหู่ขจัดไอ้ห้าอย่างเนี่ยออกนั้นคณิกาสมาธิเริ่มเริ่มต้นแห่งการขจัดถ้าอุปจารสมาธิเริ่มมั่นคงแล้วถ้าจะให้ขจัดแต่งอย่างดีที่สุดคืออัปปนาสมาธิเพราะได้อัปปนาสมาธิก็แปลว่าขจัดไอ้ห้าอย่างที่มันเป็นสนิมมันเป็นที่ทําให้จิตไม่สะอาดเนี่ยหลุดออกไปจิตก็เลยสะอาดเขาจะยังจิตก็เลยไม่มีกลุ่มนิวรธรรมกุ้มลุม จิตก็เลยสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วมีฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาเกิดขึ้นมารวมใสสะอาดจิตตรงนี้แหละเมื่อได้ภาวะจิตที่ตั้งมั่นไม่หวันไหวจิตที่เอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตที่ไม่มีมลทินจิตที่ควรเนตอนนี้เหมาะแก่การเอาไปเดินวิปัสนาญาณก็เหมือนการได้ทองคามาหนึ่งก้อนเอาไปทำสร้อยทําแหวนทํานาฬิกาได้เพราะมันจะสุกมันจะปลัง่งมันจะอ่อนนี่เหมือนกันจิตตอนนี้ไปเดินวิปัสนาญาณไม่ได้ เพราะมันจิตไม่สะอาดมันจึงไม่สามารถไปเห็นความจริงคือทุกข์สมุทรไทยนิโรธมากไปเห็นความจริงคืออนิจจังทุกขังหน้าตามันเห็นไม่ได้เห็นได้เย็บหยาบเพราะจิตไม่สะอาดงั้นต้องขจัดไอ้ห้าอย่างออกจนจิตเข้าถึงสมาธิระดับอัปนาเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิระดับนั้นแล้วเนี่ยหรืออย่างต่าได้อุปจาระือคลีนของสภาพจิตที่ไม่สะอาดออก ก็ออกไปเสร็จหมดแล้วได้จิตที่สะอาดเมื่อได้จิตที่สะอาดใช้จิตเหล่านี้แหละไปเดินยานปัญญาจะเห็นอะไรได้ชัดมานสิการเข้าไปคิดหาความเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็จะปรากฏพิจารณาถึงทุกทุกปรากฏพิจารณาถึงความเป็นอนัตตาอนัตตาปรากฏพิจารณาถึงความไม่งามมันจะเห็นความจริงเลยีนี้ความจริงมันจะปรากฏทันทีเพราะอะไรเหมือนกับเราได้ทองแล้วสกัดดีบุกตะกัวเหล็กทองแดงเงิน โลหะพวกนี้ยพอสกัดไอ้ห้าอย่างออกเหลือแต่ทองล้ว น, วนเอาไปทําเครื่องประดับได้หรือยังได้หรือยังได้แล้วแต่ถ้ายังมีสิ่งเหล่านี้ปลอมปนอยู่เอาไปทําได้ไหมทําได้แต่มันไม่ปล่งมันไม่มันไม่สุกมันไม่สวยมันไม่อ่อนมันมเหมาะไม่ควรมันมีเนื้ออื่นประสมจิตแบบนี้เอาไปเดินวิปัสสนาญาณไม่ได้เพราะ จนจิตที่มีนิวร์กุ้มรุมดนั้นต้องฝึกสมาธิหรือฟังธรรมะให้จิตคลีนสะอาดให้ได้ฟังธรรมะจนจิตสะอาดผ่องแผ้วตั้งมั่นจนขจัดนิวรธรรมออกได้ทีนี้แหละขั้นตอนต่อไปยังไม่จบแค่นี้นะเมื่อได้จิตสะอาดแล้วไปเดินยานปัญญาต่อเดินยังไงมีวิธีการต่ อ, อยางงี้เป็นต้นมองเห็นยัง พอจะชัดเจนไหมการสมาธิแล้วก็นใจนั้นเป็นหนึ่งวิธีในอีกหลายร้อยวิธีนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีแม้การฟังธรรมก็ได้ฟังธรรมแล้วจิตตั้งมั่นจดจ่อก็เป็นการสกัดนิวรณ์ออกมนเอนแม้การยืนการเดินหรือการฝึกเอาอุปกรณ์ใดๆที่ในคำสอนที่บอกวิธีการมีมากมาย การดูลมหายใจเขาออกก็เป็นหนึ่งวิธีในอีกหลายๆร้อยวิธีพอจะชัดเจนยังกี่โมงแล้วโอ้โหวันนี้นานเลยโูดเพลินเลยนีย่ใครอยากจะถามอะไรอีกไหมอยากกลับหรือยังโย่พ่ออยากกลับหรือยังยัง ตรงนี้ก็มีสถานสง้์คนชลาไปดูไหมอยากไปดูไหมไม่พาไปดูบ้าง่ะไปดูเพื่อนๆยังมีพ่อแม่เยอะวา โอ้โหนต่แม่อาจารย์จะ่อเสียะอ๋อแล้วหนูพ่อแม่อยู่ทั้งคู่เนาะอ๋ะ อ, ะอออดียังมีแม่ให้ได้ดูแลเนาะได้ทำกุศลกันแล้วมีครอบครัวด้วยอ๋อทำอะไรที่บ้าน เป็นโรงงานอะไรอยู่ยวแถวไหนอ๋อเพราะมีโรงงานพลาสติกด้วยนะแถวนี้ข้าวไปบ่อยเหมือนกันสีไปจังขาไปใครไปมูนิธิหลวงพ่อสมเด็จเคยไปของฟังเจ้าจ่ายที่แรกท่านได้กับเสียงท่านบอกเอาไปเตอลย คลายกันเลยคงไม่ค่อยคลายเท่ า, าไหร่อพรสบายดีเน่ผ่ากัมปาบผ่ามานานแล้วชีวิตชีวิตมันมันได้อยู่กับ โรคภัยไข้เจ็บที่จริงพวกเราหรือหมูสัตว์ตั้งหลายก็ป่วยกันตลอดอยู่แล้วเ <c oughs> ชียวไหมพวกเราเป็นคนป่วยเช่ยวป่า <c oughs> เป็นคนป่วยหรือเปล่า <c oughs> ปป่วยไหมกายป่วยเป็นนิดที่จริงก็คือว่าเย็นกับร้อนเนี่ยเรียกว่าป่วย เราทำไมต้องปรับพยายามให้ได้ความร้อนที่เหมาะสมอากาศที่เหมาะสมเนี่ยเพราะอาการป่วยหิวกระหายนียยสส่ก็คือป่วยทายอุจจาระและปัสสาวะก็คือป่วยเรามีโรคพื้นฐานกันมาแต่เกิดเนี่ยก็คือหกโรคเวลามันทะลักออกมาคืออุจจาระและปัสสวาวะทะลักออกมาหิวกระหาย เย็นกับร้อนหกโรคถ้ายเย็นเกินไปร้อนเกินไปทนไ ม, ไม่ได้ป่วยหิวกายไม่สามารถบำบัดได้มันป่วยทายจุจาระปัสสาวะถ้ามันเกิดมีปัญหามาันป่วยมันแปลว่าตอนนี้ยังพอทนได้ไหมเขาเรียกป่วยพอทนได้ตอนเนี้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ยังพอทนได้กายป่วยตลอดเวลากระสับกระสายตลอดเวลาพาระเจ้าจึงบอกว่า ดูก่อนท่านทั้งหลายกายป่วยกายกระสับกระสายใจต้องไม่ป่วยใจต้องไม่กระสับกระสายนี่อันดับแรกทีนี้จะทํำยังไงอ่ะใจถึงจะมั่นคงใจถึงจะไม่กระสับกระสายก็ต้องใช้องค์ความรู้ให้มารู้ความจริงอว่ากระแสชีวิตมันเป็นก็มันอย่างเนี้ย พอเดินยานปัญญาเข้าไปรู้ความจริงของกระแสชีวิตเจาะทะลุดูลงเห็นความจริงของกระแสชีวิตพอไปเห็นความจริงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเช่นเห็นความจริงของความไม่เที่ยงความกระแสชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดดับสืบต่อเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเนะ และสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับสืบต่อมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเกิดดับสืบต่อแบบไม่มีเหตุปัจจัยฉะนั้นไปความเป็นอนิจจงเนี่ยมันเป็นทั้งอนิจจงที่มันเป็นขาลงก็ได้ขาขึ้นก็ได้ส่วนรูปธรรมของเราทั้งหลายกระแสะชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยตอนนี้นเป็นอนิจังขาลงเช่นมัน เปลี่ยนแปลงไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ตายคือเปลี่ยนอัตภาพไอ้แม่นามาธรรมมันมีสองส่วนนะนามาธรรมที่มันเป็นไปลักษณะที่ว่าเป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันก็เกิดดับสืบต่อสตาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เกิดดับสืบต่อแปลว่าเราจะให้กลุ่มนามาธรรมเนี่ยมันเกิดดับสืบต่อแบบไหนให้มันเกิดดับสืบต่อแบบมิตรให้มัน เจริญขึ้นได้ไหมให้ความโลภมันค่อยๆพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นได้หรือไม่ได้จากโลภน้อยๆแล้วก็โลภมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นได้ไหมจากโกรธน้อยๆกลายเป็นคนโกรธมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นได้ไหมจากหลงน้อยๆกลายเป็นหลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็พัฒนาโลภธาตุสามโมหะหรือโลภะาทุสามโมหะมันมันเจริญยิ่งๆขึ้นไปได้ไหมได้อกุศลธรรมหรือบาปทั้งหลายเนี่ มันก็เป็นอันนี้จังเหมือนกันนะราคาโทรสะโมาแต่มันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงศีล ส, สมาธิปัญญาก็เหมือนกันจะให้มันพัฒนาขึ้นศีลเกิดดับไหมเจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าเกิดดับไหมรักทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดดับแต่มีมือเจตนาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมีภาวะเห่งความงดเว้นจากบาปประกุรศรกทธามันมากขึ้นมากขึ้นมันพัฒนาไหมมันก็ฉลาดขึ้นมันก็ชํานาญขึ้น เหมือนกับสติฝึกบ่อยๆบ่อยๆมันเจริญไหมเพราเจริญขึ้นแปลว่าเป็นขาขึ้นเป็นอนิจจังไหมนั่นเป็นอนิจังขาขึ้นสมาธิก็เป็นอนิจจังฝึกบ่อยๆบ่อๆนะครับมีความตั้งมั่นแต่มันเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเป็นอนิจจังขาขึ้นปัญญาก็เป็นไปลักษณะเดียวกันเห็นไหมทุกอย่างมันแล้วแต่เราจะไปให้เหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมเหตุปัจจัยแห่งความเจริญแม้ชีวิตของพวกเราหรือความเป็นอยู่เนี่ถ้าเราจะให้มันเป็น แย่ลงก็ได้ให้สถานการณ์ในครอบครัวมันแย่ลงแย่ลงได้ไหมลองไปให้เหตุปัจจัยผิดไปเลยนะเราจะทำให้เราวิบัติก็ได้จะทำให้เราเจริญก็ได้มันอยู่ที่การฉลาดในการประกอบเหตุปัจจัยนั่นนะเพราะฉลาดในการประกอบเหตุปัจจัยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจริญขึ้นได้มันก็จะพัฒนาขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการบอกว่าถ้าเราเข้าใจความจริงของ ไรลักคือความไม่เที่ยงเราเอาประโยชน์จากมันถ้าไม่เข้าใจเสียหายเลยเนี่ยเราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายผิดพลาดผิดการเวลาไม่ทันต่อสถานการณ์ 1. เข้าใจอนิจจังที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยสองมีสติกํากับยอยู่กับตัวทําการทั้งหลายด้วยความไม่ประมาททันต่อการในเวลาสาสาวไปหาเหตุปัจจัยทั้งหลายว่าเราจะให้เหตุปัจจัยความเสื่อมหรือความจเจริญ อ, อย่างไร ถ้าเราฉลาดในการจัดการอย่างนี้เราก็ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันต่อท้องทีต่อการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามพอมองเห็นไหมหออเอออย่างนี้พรบางทีเราบอกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเนี่ยคือคนประมาทเสียเลย อ, อย่าง <S <S เช่นความโลภจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดเสียหายไหมทุจริตจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดบาปจะเกิดก็ปล่อยมันเกิด เราบังคับไม่ได้มันไม่ใช่บังคับไม่ได้เราสามารถจะให้เหตุปัจจัยเพื่อจะให้บาปนั้นมันหยุดตัวได้หรือให้เหตุปัจจัยให้บุญนั้นมันหยุดตัวหรือมันเจริญขึ้นก็ได้มันอยู่ที่การว่าฉลาดในการให้เหตุปัจจัยในสิ่งนั้นนั้นไม่ใช่บอกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดเอออย่างนี้ยุ่งใช่หเคยเคยได้ยินคานี้ไหเคยพูดคานี้มเอากลับเคยก็อีก อย่างนี้เสียเลยใช่ไหมเช่นเวลาบาปมันจะเกิดปล่อยให้มันเกิดไหมบุญจะเกิดล่ะบุญจะเกิดก็ให้เหตุปัจจัยเพื่อให้มันพัฒนาขึ้นแต่เหมครับดังนั้นชีวิตไม่ใช่อยู่แต่สักแต่ว่าปล่อยไปตามเวรกรรมปล่อยไป ล, ล, ลงๆแลง้ลงๆไม่เลยนั้นทุกอย่างต้องฉลาดในการที่จะแก้ไขจัดการถ้าทำได้อย่างนี้โอพัฒนาใหญ่เลยเดี๋ยวนี้อยากได้อะไรไม ให้ให้วิทยุไปแล้วนนเนาะให้แล้ว อ, บบลอืมนนอหนังสือหนึ่งเออเดีแล้วเอาไปให้แฟนก็อ่านแฟนเขาอ่านให้จบอ่านเสร็จแล้วเขาเล่าให้เราฟัง น, นะเอเอไ ม, ไม่ให้เขาอ่านแล้วเล่าให้เราฟังแล้วบอกเราอยากจะรู้เรื่องนี้าา ไ, ไม่เ ข, เขาเขาเขียนว่ายังไงเรื่องอะไรเขียนยังไงให้เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ เอามาถ่ายทอดให้พฟังว่าเออจริงไหมก็อ่านแล้วเข้าใจถูกต้องไหมดีไหมแบบนี้<ด>เออ อ, เอย่างเงี้ยดีเลย<ด>ใช่ไหมใครเคยไปอินเดียกันหรือยังเคยยังย่เคยเได้ดีค่าจานในอเดียถ่ายอย่างานีน้ที่มา ไปทันวาเราไปทันวาปีนี้ถ้าไปเลยค่ะเรื่อนที่สนใจอยากไปเพื่อนจะทำยังไงต้องติดต่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวท่าเอาเบอร์พาไว้แล้วจะจะดูวิธีให้ว่ามันจะมันจะได้ยังไงอยากไปนะเพื่อนวันวันที่แปดนี่ก็จะไปสีรังกา อันที่แปดที่จะถึงนะใช่ใช่แ ต, แต่แต่จริงๆที่บอกไปงั้นแต่เอามาไม่รู้ว่าจะไปยังไงต้องต้องไปถามรายละเอียดกับคนที่เขานิมนต์อีกงีเพราะไปแบบเขานิมนต์น ไ, นไ ป, ปใช่ใช่ บางบางทีเขาเขเารวมรวมรวมกันแล้วก็มานิมนต์พระว่างไหมอย้าง ย, งยอมจะไปเขาจะมารวมรวมรวมรว ม, รวมเวสร็จพวกก็ขอนิมนต์พระได้ไหมช่วงไหนอย่างไง ย, ยอมก็เป็นคนจัดเองอย่างเงี้ยเป็นรักอะแบบนั้นไม่ได้เป็นไปในรูปรักษแบบถัว่วแต่ว่ามันมีปีหน้าปีหน้าที่มาจัดให้อพระไปหกสิบรูปโมกกาลาหกสิบรูปนั่นก็คือจัดให้พระไป แต่ประมาณวันที่สิบเก้ามกราถึงวันที่ยี่สิบเก้าแต่วันที่วันที่ห้ามกราถึงสิบสองเนี่ยมาจะจัดอาพาทั้งหกสิบรูปไปอบรมที่ยุพุทธศูนย์สองที่ปทุมก็จะไปให้ข้อมูลความรู้พระอยู่ประมาณแปดวันเสร็จแล้วก็ส่งพระท่านไปแล้วมาก็จะบินตามไปทีหลัง พอมาไปทุกที่ก็จะไม่ไหวมันมันต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะโยมเขาบอกว่าเออเซฟเซฟร่างกายไว้อะไรเงี้ยนี่ก็คงจะต้องบินไปที่หลังไปเจอพระที่วาร า, ารรนาสีที่อินเดียก็ไปที่วรานาสีก็ไปไปอยู่กับพระสักสองสาคืนเสร็จก็ก็บินกลับกันกลับไทย ก็จะไปอบลมพ้าที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกปะปวัตนสูตรพวกเรารู้ไหมวันนี้เป็นวันอะไรเออนี่เก่งวันอัฐมีบูชาทำไมเขาต้งเรียกอัฐมีบูชารู้ไหมเดือนนี้เป็นเดือนเวสาขะหรือวิสาขะใช่ไหมทั้งเดือนเนี่ยเดือนวิสาขะเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ ขึ้นหนึ่งคำจนถึงแรมสิบห้าคำใช่ไหมขึ้นหนึ่งคำสองคำจนถึงสิบห้าแล้วก็แรมหนึ่งคำสองคำจนถึงแรมสิบห้าคำวันเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยสามสิบวันเนี่ยเขาเรียกว่าเดือนวิสาขาก็คือมีดาวดวงหนึ่งที่ชื่อเวสาขาเนี่ยวิสาขาเนี่ยโคจรมาใกล้โลกตามโหรา จารเวลาศาสตร์เขาก็เลยคํานวณว่าช่วงนี้เป็นเดือนวิสาขะแล้วพระเจ้าเนี่ยมาอุบัติเกิดขึ้นก็คือวันขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยเดือนวิสาขะเนี่ยแล้วก็ตัสรู้ก็เนี่ยสิบห้าค่ำเดือนวิสาขะเนี่ยตปรินิพานก็วันนี้เหมือนกันนะสิบห้าค่ำเดือนสาขาทีนี้พอพระเจ้าปรินิพานแล้ว วันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนหเดือนวิสาขะพราะปรินิพานปุ๊บก็มีการแห่พระบรมศพของพระพุทธเจ้าจากเอ่อจากที่ปรินิพานสถุที่ปรินิพานที่กุสินาราเนี่ยลอบเมืองมามาที่มะกุฏดพันธนเจดีย พอมาถึงมกรุฎพันธนเจดีก็ตั้งพระบรมศรพของพระพุทธเจ้าวไว้บนเชิงตะกรบนรางเหล็กนั้นแล้วก็มีการอบูชาพระบรมศรพพุทธเจ้าเนี่ยเจ็ดวันพอครบวันที่แปดคือวันเนี้ยก็มีการเผาเผาพระบรมศรพพระุทธเจ้าก็ตรงกับวันแรมแปดค่ําเดือนหกวันนี้วันนี้เป็นวันตรงกับวันอัฐมีบูชา เพื่อบูชากวนถวายพระเพงบรมศพของพระเจ้าเนี่ยเผาวันแรกเนี่ยวันนี้แต่เพิงน่ลุกไหม้เจ็ดวันไปอีกเจ็ดวันนะไปเจ็ดวัน เ, นนเพงสงบแล้มันหมดแล้วก็บูชาพระทาตต่ออีกเหลือแต่พระทตาแล้วพับเออพระเพงไฟในไหม้ พระบรมศพพระริยาหมดเหลือแต่กระดูกก็บูชาต่ออีกเจดวันตอนบูชาเป็นพระรุมศพธรรมดา 7, เจ็ดเผาเจดบูชากระดูกอีกเจ็ดสามเจ็ดก็กลายเป็นย1สิบดวันพอครบ21บวันปุ๊ ก, ก็มีการมาเปิดหอผ้าที่มีพระบรมสารีริกธาตุ ในครั้งนั้นแหละโทนพามเป็นพนมาแบ่งกษัตริย์จากหัวเมืองต่างๆเจ็ดเมืองที่ยกกองทัพมาโทนพามก็เป็นผู้ใช้ตุ่พัฒนานทองคํปาปักพระบรมาบธาตุวุิยาเนี่ยแบ่งแบ่งเมืองละทานานแล้วก็แบ่งเนี่ยสองรอบได้เมืองละสองสองทานานทานานขนาดใหญ่เกือบเท่าบาทเนี่ยตุ่พัฒนานทองทุกเมืองก็เลยได้ไป ได้ไปเมืองละสองพัฒ น, นานทองมีเมืองอัลละ ก, กับปานาครมาที่หลังเขาแบ่งกันเสร็จแล้วประเทศไหนเขาก็ไม่ให้ก็เลยได้ขี้เท่า <c oughs> กวาดเอาขี้เท่าหมดเลยตอนเนี้ยใส่หออะไรต่างทำอย่างดีไปเสร็จก็เอากลับไปก็เรียกว่าอังคารและสถูเอาไปสร้างเป็นสถูเหมือนกันที่บูชาเป็นขี้เท่า ก็เลยมีอย so ู 8. Cancel, able, ่8เมืองสรุปแล้ววันเนี้ยอันนั้นเป็นทางเชิงประวัติศาสตร์แต่ต้องการเล่าประวัติศาสตร์ว่าวันนี้ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันอัฐมีบูชาตรงกับวันถวายพระเพิงพระศพพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ให้ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิทิพาน ก่อนที่จะมีการถวายพระเพลิงนั้นนะ่ะพระมาหากะสะศบตอนนั้นทราบข่าวพระเจ้าจะปรินิพานท่านก็เดินทางมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์5้ารอลูกเป็นสัตวิทวิหาริกเดินทางมาถึงปาวาก็าพักแต่ตอนนั้นนะ่ะครบเจดวันพอดีถึงปาวานครแต่กุศินารากับปาวาเนี่ยห่างกันมาปัจจุบันก็น่าจะอยู่ประมาณสัก30กิโลเนี่ยประมาณนั้น นี้ตอนนั้นก็มีมานพถือดอกมณฑารลบแดดมันร้อนก็ถือแดอกมันพามณฑารบลบเดินไปอย่างนี้กั้นเป็นทําเป็นรอมเดินไปพระมหากระสนก็ถามทั้งๆที่จริงๆแล้วท่านรู้แล้วพระพุทธเจ้าปฎิณิพานแล้วก็ถามถึงว่าข้าแต่ท่านมานพทราบข่าวพระบรมศาสดา ข, ของอาตมาบ้างไหมไอ้มานพนี้ก็บอก ก็กราบหันไปทางพระพุทธเจ้าบกว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วในการถวายพระบรมพระเพลิงบในในการในการที่พระบรมศาสด า, าปรินิพพานภิกษุสงฆ์ที่ยังเป็นบุรุชนอยู่เออที่ยังที่ยังมีราคะโทสะโมห oh ะไม่หมดยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็หลงลืมสติก็ร้องไห้ล้มลงเหมือนคนเท้าขาดบาทดีวรกลิ้งร้อง ร้องไห้ตอนนั้นก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งบวชตอนแก่ถูกพระเจ้าตำหนิเนี่ยนยก็เลยตะโกนร้องมาโอ้ดีแล้วพระเจ้าบรินิพานต่อไปเนี่ยเราอย่าปรารถนาจะทำอะไรจะได้ไม่มีคนมาชี้โทษตำหนิอย่างนน้นอย่างนี้และปรารถนาจะทำอะไรก็จะได้สะดวกสบาย พระมหาสศฟังเรื่องนี้สะเทือนใจมากขนาดพุทธเจ้าปฏิญญาผ่านเพียงเจ็วันก็มีโมค้าบรุษเนี่ยโมค้าบรุษเนี่ยขึ้นมาจาบย่วงพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าเนี่เนียก็อดใจไว้ว่าเอออยู่ในสถานการณ์ที่พุทธเจ้ากําลังปริญญาพานก็รีบเดินทางมาก็ถึงวันที่แปดพอดีมาถึงที่มกุฏพันธนเจดีย์เขาพาศบใช้ผ้าหอ่อพระศพของพุทธเจ้าเนี่ยห้าร้อยคู่ พ่อพันอย่างนี้เนี้ ย, ยตั้งไว้บนรางเหล็กพระมหากระศบมาทีหลังพร้อมด้วยภิกษุลงมาประทักศิลสามรอบแล้วท่านก็เดินขึ้นไปบนเชิงตะกรท่านก็กำหนดว่าศีรษะอยู่ทางทิศไหนเท้าอยู่ทางทิศไหนท่านกำหนดได้แล้วท่านก็เข้าไปที่ตรีะทางทา ง, ทางพระบาทพระพุทธเจ้าแล้วก็ก้มศีรษะลงไปที่ แล้วอธิษฐานได้กำลังฤทธิ์ของท่านขอให้พระบาทของพระพุทธเจ้ายื่นออกมาจากผ้าในบัดดลได้กำลังฤทธิ์ของท่านนีพระบาทก็ยื่นออกมาแตะที่หน้าผากท่านก็จับที่ข้อพระบาทประชาชนเห็นก็พากร้องไห้ละงมแล้วก็สักพักหนึ่งพระบาทก็หดเข้ากลับไปอย่างเดิมท่านก็เดินถอยถอยถอ ย, ถอยออกมาไฟก็ลุกขึ้นวันเนี้ย ไฟก็ลุกขึ้นไหมพระบรมศพของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวันนี้ก็มาละลึกถึงสังขารทั้งหลายเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกไม่นานหนอเนี่ยแม้เราและสาวกหรือพุทธบริษัทของเราจากปริธิภาน แม้ในอดีตก็เป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแบบนี้มีความเสื่อมไปอย่างนี้มีความเป็นธรรมดามีความแตกดับไปอย่างนี้ไม่ว่าสังขารเล็กหรือสังขารใหญ่ล้วนมีความแตกสลายเป็นไปในที่สุดแล้วก็พูดถึงว่านู่นน่ยตั้งแต่สมัยก่อนกุสินาราเนี่ยเป็นเมืองของพระเจ้ามหาสุทัศนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นมีเหลือแล้วไล่ไปตามลําดับทุกพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์ไล่ลลามา และแม้พวกเราและพุทธบริษัทในยุคนี้ก็จะพากันนิพพานหรือพากันตายไปสังขารทั้งหลายไม่มีเหลืออยู่เลยนี่คือความจริงของชีวิตฉะนั้นถ้าเรามาเข้าใจความจริงตรงนี้เหมือนตรงนี้ในอดีตวัดนี้แต่ก่อนสร้างตั้งแต่สมัยยุธยาตอนไปไปลายใช่ไหมเคยเจริญรุ่งเรืองเคยเสื่อมเคยอย่างเงี้ยุด มาตามลําดับจนถึงเนี้ยมาวันนี้พวกเราก็มานั่งตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงนี้หายไปไหมเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปหมดสภาพสังขารทั้งหลายมันเป็นของมันอย่างนี้นี่คือความจริงเดี๋ยวสักวันหนึ่งร่างกายกระแสชีวิตของเราก็เป็นเป็นนอนอยู่เชิงตะกรก็โดนเผาจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวก็หมดไปไม่มีเหลือแบบนี้ นี่นี่คือความจริงที่ว่าอ๋อวันนี้เป็นวันเผาพระบรมศพของพระพุทธเจ้าเรามาเจริญกุศลพวกเราก็ได้มาฟังธรรมกันใช่ไหมได้มาเจริญกุศลได้ฟังธรรมะ ก, กันเอาปนนมมือขึ้นอ่ะเดี๋ยวนำให้อาตั้งน้ำหมก้นเนะะ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 หางธรร ม, มัสสะอัตตานังนิยาเทมิอหังสังคัสสะอัตตานังนิยาเทมิอิติมังทาเรธาติข้าพเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตมอบตนอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า มอบตนอุทิศถวายแด่พระธรรมมอบตนอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ขอสงฆ์โปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดข้าพเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตขอมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักนำชีวิตขอมีพระธรรมเป็นหลักนำชีวิต ขอมีพระสงค์เป็นหลักนาชีวิตขอพระพุทธเจ้าโปรดจาข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดข้าพเจ้ากระทาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตมอบตนเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้ามอบตนเป็นสิทธิ์ของพระธรรมมอบตนเป็นสิทธิ์ของพระสงค์ ขอสงโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดข้าพเจ้าจักเคารพลุกรับธรรมอัญชลีกรรมสามีจิตกรรมเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์เท่านั้นจักไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่เคารพนับถือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบขอพระพุทธเจ้าโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดข้าพเจ้าเป็นพุทธบริษัทของพุทธเจ้า เป็นผู้มีศรัท ธ, ธาเ<ม>ชื่อมั่นในปัญญาตัสรุสัมมาสัมโพธิญาณ<ม>เป็นผู้มีสรณะ<ม>เป็นผู้มีศีลปราถนาจะตัสรุเดินตามรอยบาทพระาศาสดาขอน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมอัตภาพถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการบูชานี้ขอจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพระพุทธเจ้าตรัสรู้รมเราได้พ้นจากวัฏทุกได้ขอให้ข้าพเจ้า ได้ตัสรู้รมเหล่านั้นด้วยเทินน้อมจิตให้เป็นสมาธินะตั้งจิตหลับตาทำจิตให้สงบระลึกถึงพระจริยาคุณพระสรีลกคุณพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าว่าในวันนี้เป็นวันอธมีบูชาเป็นวันเผาพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสอง0ันกว่าปีที่แล้วนู้น วันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายมาระลึกถึงพระคุณของพระเดจจ้าพระปัญญาคุณที่ ท, ทรงแทงตลอดอริยสัจสีพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสและกองทุกข์พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปโปรดเวนัยสั์นำพระธรรมคำสั่งสอนมานำพาชีวิตข้าพเจ้าให้ดำเนินไปตามมรรคาของพระเช่นาเจ้ า, จา ข้าพเจ้าขอสมาทานตั้งมั่นในวันนี้ไม่หวั่นไหวน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแดพ่พระเจ้าจะตั้งใจฝึกผลปรพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระาศาสดาอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวขอสัตว์บุตษทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าอย่างนี้ ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวจะทําความเชื่อมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเกิดขึ้นจนกว่าจะปีพบเป็นที่สุดรอบเป็นตน้นได้กุศลความดีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทําในครั้งนี้ขออุทิศส่วนกุศลความดีนี้ให้กัสัรพสัตทั้งหลายมีพ่อแม่บุญดบิดามารดาเป็นตน้นสรรพสัตทั้งหลายท่านรู้เห็นการกระทํา ขอจงอนุโมทนาส่วนกุศล น, นี้ถ้าไม่เห็นขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงบรมสุขิือพาณิพานทัน้ทั่วถึงทันทุกท่านทุกประการเถือสาธุสาธุ